เวาที่มามาจิบเงนที่มงานเปลี่ยนเล่กินเล่เไม่มลยข้างเลข้างจากนใช่บรรยากาศดีคือแรกก็จะไปทังงานตรงท้งงามที่มีศาลาแจ่ไม่มีห้องน้ำอ๋อที่ข้างหน้าตรงนี้นี่มีห้องน้ำอยู่ข้างๆแต่มีสองห้องถ้าอย่างใช้ก็บอกเจ้าที่ทางขามานะครับ เขาอนุญาตแบบนี้อ้าเขาไม่เาไม่ใช่อยู่ก็คงจะต้องลาโอ้เจ็ดดังขึ้นมาถึงข้างบนไม่ถึงหรอกไม่ถึงตายวิหารตีนกูดังถึงเขาเลยแต่ต้องขออนุญาตเจ้าเจาของที่ตกอแต่ข้างหน้าถึงจะสะดวกใช่ไหม่อดรถจอดลาก็อนตรายกว่าทีเดีย้าเปิดฝนตกอยู่ลำบากลิ้นอยู่่านั้นเลยถ้าดีจะน่าไม่ถ้าตรงนี้มันต้องไปเกี่ยวข้องกับฟาาครับ งา เ, น, เ น, น, น, น, น, น, นที่พวกเรามาเราวา ก, กันมาทาเที่ทำทางานทำบุญให้ท่ทานปฏิบัติธ ก็ทำเพื่อใจของเราท่านั้นไม่ได้ทำเพื่อเสิ่งอย่นและก็ไม่มีอะไรที่เกิดสำคัญเท่าับใจของเราเพราทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นจากใจทั้งสึนไม่ว่าในทางโลกหรือในทางธรรมใจเป็นผู้เป็นปรกทานาจสป็นใหญ่มันหมดติดบาง ธรมามายาธมามายมาเม่องมายมาเมล อ, องเสกฐานใจเป็นอยา่ใจเป็นประทานทุกเป็นทุกอย่างก่้นได้ด้วยใจทุกเป็นทอย่างที่เรามีในโลกนีน้ไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรรถยวมเครื่องบินบรถไฟเรือเหลื่อเป็นอนี้มีใจเป็นผู้สร้างเป็นเป็นผู้เยอเรอเป็นผู้คิดแล้วก็ การผ่านไปทางกายไมนว่าจะทําให้เกิดปงๆอัยนี้ขึ้นมาย่อมแน่แต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระอริยะท่านทั้งหลายก็มีใจเป็นผู้ทําให้ประมเกิดขึ้นมาต่างกันตรงที่ว่าจะมีอะไรเป็นผู้จลักฐานจถ้ามีอายุชาปิเลตังหาเป็นผู้จลักฐานก็จะออกมาทางโลก มาสร้างสิสต่ต่างเป็นตำรวจดาวเทียงเพราะใจตอนนี้อยากจะไปโลกอื่นจำอยากจะไปโลกประจันอจะไปยาวขันก็คิดค้นต่างๆนาน า, นาหากเครื่องมา้าเทร่องมืต่างๆก็ผลิตเป็นตำรวจเป็นสถานีอากาศที่านาอากาศ ให้เกิดจักใจอย่างนี้นนหรือถ้ า, าการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์ภาษาลกก็เกิดจักใจเหมือนกันแต่เป็นธรรมป็นผู้จักนันให้ไปผ่าไปอย่างพวกเราวันนี้มาวัก็มีธรรมเป็นผู้จักนันามาเราจึงมาปฏิบัติธรรม้ เราความแท้ความธรามรความจริงธรรมะธรรมถ้าเรามีอวิชชาที่เลยความักหลักเราก็คงจะไปเที่ยวกันตามสถานท่องเที่ยนต่างๆไปบอกการทำงานไปไปการประทางเรืองลมต่างๆนัๆ่นเป็นอวิชชาขาดอวิชชาก็คือความเห็นผิดความชอบ ส่วนทำก็เป็นความเห็นถิดต้องที่ผิดต้องหรือว่าสัมมาทิฏฐิเพราะ้ใจนี้จะไปหนาดับรถยนต์แล้ผู้ขับก็จะเพิ่มทิฏฐิความผิดให้เป็นใจได้ใช้ด้านด้วยกันสัมมาทิฏฐิความเห็นผิา ด้านด้วามเห็นจิตเป็นท่าขาดใจก็จะขาให้ลงเรียนว่าใจเสกมันครบน้อกครบใหญกตามอำนาจของความโลภของความอยากนี่แหลเพราะความโลภความอยากนั้นไม่ได้ให้ความอิ่ความพอเนี่ยเป็นเช่นนั้นได้มามากน้อยเท่าไหร่ก็ยังมีความโลภความอยากอยู่เหมือนเดิมและมีมากขึ้นไปมีความรุนแรงมากขึ้นไปเรืยๆก็จะผลักดันให้ใจ ต้องเดินทางไปส้นพบหน้าช า, าติมาเนื่องจากที่ื่างตานี้แต่เวลาแบบนล้วใจ น, นี้ก็ยังมีความโลภความอยากอยมีนิฉาทุกิมีอวิชชาก็าจะสอบยันให้ไปแสวางหาเป็นเ ด, น เ, ดนเดินอย่างที่เราแสวงหากันอย่างคนที่มีนิชาทุกิจแสวงหากันในปัจจุเขาเคยแสวงหาอย่างนี้มาเป็นเวลายาวนานแล้ว แล้วก็จะสหว่หายอย่างนี้ต่อไปเรื่อยเรื่องเพิ่กว่าเขาจะเกิดมีโอกาสอาจจะได้พบกับคนที่มี ม, ม, มีสัมมาทิฏฐิความเห็นก็จะเป็นพระพุทธเจ้าสันตนพระอารหรันต์ภาษาลัทธิหรือศาสตร์ธรร ม, มิกะเพื่อนถูน้มนนีกัลยาณมิตรที่มีความเห็นต่างจากเขา แล้วที่แรกเขาแล้วเขาเกิดศรัทธาก็ลองปฏิบัติดูก็อาจจะเป็นจุดผักเทของชีวิตของเขาถ้าเปลี่ยนจากการดำเนินชีวิตตามอำ น, นาจขขงอิิชานิมุขชาติผิดไปตามอำ น, นาจเขาทำสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็จะหมุนไปอึก อีกแบบหนึ่งคือจะวัฏจัก็จะจะจะเรียกเป็นวิวัฏจักคือเส้นทางกับวัฏจัการเวียนว่ายตาเยเกิดวิวัฏจัก็คือการสวนกระแสของของวัฏจันั่นเองก็จะทําให้ภกชาติต่างๆนั้นต้านแรงไปน้อยลงไปเพราะความโลภความอยากต่างๆจะถูกทำลายไปตามแางรงบเพื่อย กวเราชีวิตของกเราเนี่ยคงมีอยู่ครั้งหนึ่งไม่ว่าไม่ทราบว่าจะเป็นชาตินี้อยในชาติก่อนๆที่ได้พบกับสุกหรือได้พบคนที่แนะนำเรื่องของความถูกต้องท่ากับเราหรือเราอาจจะคิดขึ้นมาเองเห็นว่าการกระทําตามความอยากต่าง การสวัสดหาทางสุดต่างๆจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ทั่งรูปเคียงถึงโลกโหดต่างะนั้นไม่ได้เป็นการให้ความสิดที่แท้จริงไม่ได้ให้ความอิ่มความพอเราก็เลยอาจจะคาดควร ค, คิดและก็เห็นว่าทางทางความสิดที่แท้จริงนั้นจับอยู่ทางตรงข้ามกันก็คือการยอมรับ การต่อสู้กับความโลภ ก, กับความเหานตางแล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์หรือว่าบุคคลที่มีความเห็นค้าเคืงกันได้พบเจอกันได้เห็นกันล้วทำกันได้ความทำกันก็จะช่วยส่งเสริมความความเห็นตรงสมความเชื่อมั่นตรงสมทาให้มีความกล้าหาญที่จะปฏิบัติ ให้เพิ่มขึ้นยิ่งเพิ่มขึ้นเราถึงขั้นที่เห็นความจริงอย่างแทงแท้อย่างชัดแจ้งว่าทางนี้คือทางเดียวใช่ไหมที่จะพาไปสู่ความนิ่งเย็นเป็นสุขสู่ควางหยุดพนจากทางทุกข์ทั้งวงดังนั้นพวกเรานี้คิดว่าของาได้พบกับจุดอักเหมาแล้จริงได้คืมีฉันทะวิริยะ ความพอใจมีความภาคเพียงที่จะเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาลกเทลายได้ดำนองและได้นําเอามาเผยแผ่ทางสงให้กับพวกเราได้ปฏิบัติตามดังนั้นถ้าเราปฏิบัติ ต, ตามอย่างไม่ทอดแท้อย่างธมะเข้มแน่น แล้วก็ปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นไปก็เชื่อได้ว่าไม่ช้าก็เลยทช้งวันหนึ่งก็จะเห็นเก็บหวาสายทางที่ที่ดีที่เลิศคือมรรคผลนิ่ผานได้อย่างแน่นอนแต่เราต้องเป็นคนที่มีความมีวินัยนในตัวเราเราต้องบังคับ ถ้าสอนให้เป็นไปตามอารมณ์มันก็จะเป็นแบบกระตากระตาที่วิ่งแข่งกับสัตวางนี้มีที่ไหนมันน่าจะเดินช้าแต่ไม่หยุดทําไปเรื่เดินไปเรื่อยๆแต่กตานี้อาจจะวิ่งไปตามอารมณ์มันมนไหนยมีอารมณ์อยากจะวิ่งก็วิ่งมันไหนไม่อยากงวิ่งก็ม่วิ่ง แล้วถ้าเกิดเจออารมณ์ที่ไม่อยากจะวิ่งมากกว่าวิ่มันก็ไปไม่ถึงไหนแต่ถ้าเรามีอิ่งในแล้วเราทาําไปเรื่อยๆมันจะฝึกเปนนิสัยกับจะทําให้ทำแบบไม่หยุไม่อยากหรือแม้จะช้าหรือแม้จะได้บ้างไม่ได้ว่างแต่มีความตั้งใจมีควาแมแน่วแน่ที่จะทําอย่างสม่ำเสมออยากต่อเนื่อง และทำให้มากวิ่งขึ้นไปที่นี่นแล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีอะไรจะมาขวางต้งนรักถึงขางได้อย่างเลยสภาวะที่พูดไว้ว่าวาเทียนยังอยู่ที่ไห น, นพาเสมย่อมอยู่ที่นั้นเพราะงั้นพวกเราก็มีเหตุมีปัจจัยที่ดีแล้วคือมีสั ม, ม, มาธิทิมีความเห็นชอบ ตอนนี้เราก็ต้องมีความเพียรให้มากวิริยะความภาคภูมิเพราะว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จะไปถึงมาตรฐานได้ก็ต้องไปด้วยความเพียรเป็นส่วนประกอบสำคัญคือคุณธรรมอย่างอื่นก็สำคัญเช่นสติปัญญาพรัมาึิกเรามีศรัทธาแล้วแต่นี้เป็น่ ง, ง, ง, งๆๆที่เราต้องทำให้มากก็คือ จเจรินสติ ด, ด้วยความภาคภียิแล้วก็จเจริญสมาธิตามระดับต่อไปแล้วก็เจริญปัญญาเมื่อมีปัญญาแนละ้วก็จะหยุดค้นจากจากความทุกข์ทั้งหมดบรรลุมรรคผลผ่านได้ด้วยคุณธรรม ท, ทั้งห้าประการมีศรัทธามีความเชื่อ ในการดำเนินชีวิตการพระทามตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความอุตสาหะพยายามพยันหวังเพียรตั้งสติอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาตั้งแต่เต็นได้ให้ใจอยู่โดยแม่มีสติคือให้มีอะไรว่าเป็นเครื่องขุมวัดติดกาไว้าเป็นแบบ มั่ให้ลอยไปลอยมาตามอารมณ์ต่างๆถ้าอยู่กับพุทโธพุทโธก็ได้ถ้าอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ถ้าอยู่กับลมหายใจเขาออกก็ได้เราสามารถเปลี่ยนหลักเหล่านี้ได้ถ้าเรานั่งอยู่เฉๆเรากําหนดึงลมหายใจเขาออกก็ได้ถ้าเรากําลังเดินกําลังเคลื่อนไหวเราก็ให้มีจิตติอยู่กับการเคลื่อนไหว กำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินถ้าเดินอย่างนั้นแล้วจ็ได้ลื่นไม่ล้มไมจะเตะถึงนั่นถึนี้แต่ถ้าเดินไปแล้วก็คิดไปในใจถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ดีไมด่ดีเดินลื่นหกล้มตายเดินไปชนไปเตะถึงนั่นถ น, น, นี้ได้เพราะว่าไม่มีสติอีกอตัวถ้ามีสติอีกตัวจะลุกขึ้นย่างก้าวยอกําลังก้าวอยู่ จะรู้ว่าข้างหน้าที่ประมาณเก้าตาเนี้มีอะไรอยู่ข้งหน้านี่คือความหมายของการอยู่เฉยถ้าเราง้างรับประทานอาหารก็ให้อยู่ประทานรับประทานอาหารอยาร่างเดียวอย่าไปคุยกันอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งคงจะเป็นเิ็นที่ยากสำหรับฆราว่าสยากเดียวเพราะน่าเคยได้รับการฝุกฝังได้ปฏิบัติ แบบนี้กันตัวอย่างก็คือการรับประทานเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเวลาจะคุยกันก็กินข้าวไปด้วยมีเป็นพฤติกรรมคารวะถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้การปฏิบัติของเราก็จะไม่เจริญไม่พุหน้าผู้ตายถ้าเราดูวิธีการรับประทานอาหาที่ถูกต้องก็ดูจากพระ เวลาพระท่านใช้ท่านจะไม่คุยกันถึงแม้จะมีพระอยู่ร้อยรูปพันรูปในที่เดียวกันก็จะไม่มีเสียงอะไรออกมาเลยท้กองจะถังด้วยการมีเสก แ, แต่การขบเคี้ยงนี่ก็ยังต้องระวอย่งางกับน้องการใครไปเที้ยวด่างด่างเข้าเดี๋ยวก็ร้อนบางทีมันมีผั ก, ผกบุ้งอย่างเงี้ยเคี <c oughs> <c oughs> <ๆ>้ยวเปล่า ท่านมองนะพราะสงสารเราะสงสารมองกันต้องซื้องค์ที่เกี้ยวยังไม่รู้สึกตัว <c oughs> แต่องค์ที่รู้นี่เวลาเกี้ยวถ้ามันดังกรอบทีต้องหยุดกรอก็หยุด้วเดี๋ยวเขเสือไปิดข้าแสดว่าอย่างน้นอยมีสติคือมันมีเสียงแตกก็พยายามที่จะให้มันมีจัลหวะแต่ว่าค่อยๆเาที่รักทำทำี่รักท หรือถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่เอาเลยของอะไรที่เยอะที่ขายแล้วมีเสียงดังนี่ท่านจะตัดลงไปเลยหรือว่าจะชอบแข็งอยากจะแข็งก็ไม่เอานี่คือการเพียอสร้างสติถ้าเราทําเ่าสร้างสติอยู่แล้ ว, ลวใจมันจะอดีใต้ตัวแล้วเป็นเหมือนถ้าเป็นศาสตร์เรื่องกำเนิดข้าว ม, มันถูกถูกไว้ เหมืนอนยิงถ้าเราไม่ถูกมันไว้กับเสาหรือัขบขับอะไรขัางอย่างมันมันก็จะไปแท่นทา่าเวลาที่เราจะต้องการเรียกตัวมันมาเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเราถึงต้องเดินหาทั้งวันก็ได้เพราะมันไปถึงไหนเรารู้ในใจของเราก็แบบมันถ้าเราไม่ถูกมันว้ายด้วยสติถ้าอยู่กับปัจจุบันถ้าอยู่กับกิจกรรมที่เร า, รากำลังทำ พอเวลาที่เราจะไปนั่งสมาี่ทาําจิตให้สงบนี้มันจะยากเพราะว่ามันอยู่ที่ไหนก็ไม่นมันคิดไปเรื่องอะไรอยู่ก็ไม่อย่างที่ญาติโยมสังเกตคงจะรู้บางวันนี้นั่งสมาธินี้ค้าจะไม่สงบเลยนั่งไม่ได้เลยเพราะว่นั้นปล่อยจิตให้ไปคิดไปเรื่องนี้เรื่องนี้เพราะเรื่องมันสําคัญเรื่องมันมีความหนัก มากเกี่ยวกับชีวิตของเรามีความมีผลกระทบหน้ากกับชีวิตของเรามันก็เลยดึงให้ใจของเราไปคิดกับมันจนมันไม่มีใจเราไม่อยู่ตับเนื้อกระตัวตอนนั้นรับรองได้ว่าจะนั่งสมาธิเนี่นัน่งไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนมันหยุดใจจะจัดจากเนี่ยหยุดจจากฐานของขวานเอง ถ้าเรารู้สึกว่ามันวันนั้นนั่งยากถ้าเราเกยบริกรรมพุทธโธแล้วบริกรรมพุทธโธไม่ได้หรือถ้าเราดูลงหายใจเท่าห อ, อก่าดูไม่ได้ก็าอาจจะต้องอาศัยอิบานเช่นต่อธรรมะเทศของครูบาอาจารย์ฟังเปิดหัวเป็นการการเปินใจไว้แต่ก็ต้องฟังด้วยสติไม่ใช่ฟังแล้วก็ยังคิดถึงเรื่องต่างๆ หรือมากฉึนั้นก็ส่ว ม, มนกัอแต่ก็ต้อส่วนด้สติให้อยู่ความส่วนสนพยายามเดิไม่ให้แต่คิร่ต่างๆหรือวิธีที่ดีทีท่สุดก็คืคใช้ัญญาเข้าไปญญาที่จตาของเรื่องที่เราไปกังวลไปเกี่ยวข้องพราะเราป่อวางไม่ได้ิจตาให้เห็นว่าเป็นใจรักวไม่ช้าก็เร็วทั้งวันเงินก็ทั้งหมดไปเงินก็ต้องจบไป นีม่มองว่ามันไม่มีสาระอะไรทุกเรื่องทุกอย่างในโลงนี้เป็นของปลอมทั้นั้นถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขกลอมถ้าเป็นมสมบัติก็เป็นสมบัติปอ ม, ปมรรไม่ต้องเป็นสียดายเพราะว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งมันไปอย่างดีเมื่อเราตายไปสมบัติเหล่านี้เราก็เอาไปไม่ได้ความสุขแบบนี้เราก็เอาไปไม่ได้แต่ความสุขแท้นั้นอยู่ที่ความเฉลียวฉลาด อยู่ที่ปัญญาที่ปล่อยวางถึงแต่จังได้ถ้าเราได้ปัญญาพิดปัญญาก็จะทําถ้าจาิดเห็นดังที่เราพิดรณาแนละ้วมันก็จะตับได้เน้นถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องที่ถูกพันอยู่ได้ถ้าเราก็หันเราก็เข้ามาทำทอมาได้ทำจุตให้สงบเรื่องสบาย พอจิตสงบเนื่องนะจะเนื่องระดับไหนก็ตา่างแล้วเขาเรียกว่เป็นสมาธิจิตนะตั้งมัน่นจิตไม่ลอยไปรอยมาเมืในขณะนั้นจิตจะไม่คิดตรงอะไรเราไม่ต้องบริกรรมพิถีก็ได้ไม่ต้องมีปัญหาใดก็ได้จิตคุณนั่งไปจิตไปเนื่องอยู่เฉยชาลุจาระนาลิจ า, าน่ายานแค่ขึอยู่กับกําลังของการปฏิบัติงาน ถ้าเราปฏิบัติม า, มากมีกําลังมากสติมีสติมากจิตก็จะสงบเงานถ้ามีสติน้อยจิตก็จะสงบไม่เงดังนั้นการฝึกสติสเป็นส่ว น, น, น, น, นที่จาเป็นอย่างนี้ต่ อ, ขอการเจริญสมาธิและเจริญปัญญาตามลําดับต่อไปและการจเจริญสติก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจเจริญได้ตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ในวัดก็ได้อยู่นอกวัดก็ได้อยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํา ง, งานก็ได้แต่สถานที่ก็มีส่วนประกอบที่จะช่วยให้การเจริญสติง่ายหรือยากยกวัดปักตายะถ้ า, าะะสถานที่สงบสงัดที่เว้อยู่คนเดียวการเจริญสติจะง่ายกว่าอยู่สองคนหรือสาคน เรอยู่สองคนสามคนญาติมักจะคิดถึงอสองคนสามคนจะคิดไปไปห่วงไปกังวลไปอยากจะคุยกับเขาอย่างนี้คนต้องแต่ถ้าอยู่ลำพางคนเดียวแล้วก็ไม่นี้จะไปคุยแบบไหนก็จะทําให้การดูแลการรักษาสตินั้นเป็นต่อย่างต่อเนื่องแล้วเมื่อเราั่างสมาธิก็จะสงบได้ง่ายกว่า พราะไม่มีอะไรมาผิักท่ารากใจให้ไปไปที่อื่นถ้าอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงอึก ท, ทึกทุกข์โมแล้วนั่ง ท, งาทํงาสมาธิจย่าลำบากว่าเดี๋ยวเสียงอะไรเข้ามากระทบกับจิตจิตก็จะล อ, อยไปหาเสียงนั้นไม่จะเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเกิดความเมินคายขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาก็นิง่งทาให้จิตขุ่นมัว ยากต่อการทําให้สงบได้แต่ก็ไม่ได้หมายามว่ า, า, าการเจริญสติการปฏิบัติของเรานั้นจะต้องรอเวลาที่เรามีสถานที่สงบสงบเท่านั้นเพราะชีวิตของเราบางทีมันยังมีความสุขทางกับแห่งคนการทํางานทําการอยู่เราก็ต้องพยายามปฏิบัติในสภาพที่เราอยู่นั้นป่อย ถึงแ ม, งม้จะไม่ได้ร้อยถ้าได้เพียงสิบก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนีงแม้ปฏิบัติไม่ได้ร้อเหมือนกับตอนที่เราอยู่การวัดตารป่าตามเขาแต่เราปฏิบัติแล้วเรายังได้แค่สิบก็ยังดีรักษ า, าสิบได้บ้างก็ยังดีกว่าไม่รักษาเลยทวเราคิดว่าขณะที่เราเดินไปไหนมาไหนว่เาเรากําลังเดินจงกรม ขณะที่เรานั่งรออะไรเราไม่มีความเป็นเปจะต้องคิดเรื่องอะไรก็ขอให้เราคิดว่าเรากำลังนั่งปวดวทำํา่างนั่งทำสมาธิมนึกถึงทุโทโธทุทโธาจในใจผื้เรื่อยๆถ้าอย่างนี้แล้วพอเรากลับบ้านตอนเย็น่อนจะนอนอาบน้ำอาบผ้าเสร็จเราก็นั่งสมาธิจิดก็จะสงบมากยาตอนเช้า เราเติมขนเราก็นั่งได้อีกแต่เราต้องจับอย่างอื่นไปเพราะว่าถ้าเราไม่จับเราจะไม่มีเวลาพอกับการพักผ่อนหย่อนต้องกลับช่วงละครอะไรต่างการไปเสร็จงานกลับบ้านจะคืนท้าเสร็จก็นอนเลยขอละเนี่ยความบันเทิงต่างในโลกนี้มันเป็นของฟรอนเพราะั้นมันเป็นตัวที่จะขัดขวางให้เราได้พบจับคพสดีที่แท้จริง ในประกาศกอนให้เรา ไ, ได้พบกดสมบัติที่แท้จึิงของเราตัดมันไปเลยอย่าเสียเวลาเลยถ้ามาถึงได้แล้วการปฏิบัติของเราจะไม่เจ้าแน่มันจะหลอกให้เรารอไปวัดก่อนแล้วปฏิบัติแล้วตีหนึ่งก็าจจะไปได้เพ็ยงครั้เรงเดียก็จะไม่พอกับเวลาที่เรามีอยู่เพราะการปฏิบัติที่จะให้เป็นตลอดเป็นท น, นี้น่ต้องรอต้องปฏิบัติอยตลอดเวลาเลย พ่อที hmm. ่เลยกมันทํางานตลอดเวลาเขาวิชาทํางานตลอดเวลามิชาก็เก <J'> ิดทำงานตลอดเวลาคอยหอคอยร่อเรามีต่ตลอดเวลาจะทํานี่เราจับได้ปัจจบันตลอดเวลาก็นอนเขาปล่อยโดยปลเดี่ยวไม่ไม่ได้ปล่อยเขาเลยเขาก็เลยมีกําลังว่าต่อเราแตถ้าเขาปล่อยเราทีเราปล่อยเขากลับไปคือ ตางคนต่างต่อยัอนมัพพกนก็ขอคลาโคลอย่ครับแล้วถ้าเราต่อยมากมากกว่าเขาล่อยเราเดี๋ยวเขาก็แพ้ราเ แ, แต่ตอนนี้ส่วนใหญ่เราจะแพฝังเตมากกว่าเวลาเากความโลกแล้วก็โลภตามเวล า, ากิดความโกรธคโรธเวลาเกิดวาากความหลนก็หลงตามแล้วก็มีจะ่คาทุกความวุ่นวายใจตานมานี่คือของการที่เราไม่ปฏิบัติอย่าง ตอ like Dude, rain, ER hey. mm ่อเนื Anyways, ่องอย่างสมครเสมแต่ถ้าเราปฏิบัอย่างสม่ำเสมอแล้วมันจะมีผลขัดกันมีทุกบ้าในทุกบ้าการจะไม่ทุกข์สมยไปเราก็ไม่ได้เป็นผลอยากทางโลกไม่ได้เป็นความสุขสากกางได้ยูได้ยินได้ฟังได้ดื่มได้รับษระทานแต่เป็ความสุขจากการที่เราคณะทาโลกทางยความเกิดแต่เราเกิดแล้วเราทราเราหักได้ เสร็จวเราจะเกิดความสุขขึ้นมาภายในใจขอเนาแล้วเราโลภแล้วเราตักมันได้ไม่เอาไม่ต้องการไม่สนใจเราก็กิดความสุขขึ้นได้โดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองเสียเวลากักาาการหาทางสุขจากเงินตักเงินนั่ถ้าเราทาอย่างนี้เราจะมีเวลากล บ, บ้านรับประทานอาหารเย็นเก็อบอาหารน้ำปาเ ก, ก็บก้าวไหวพระเก นันนงนนงวว่งทำสมายิวันละยอมจากหัวขั้นเราก็เรียกเป็นตีสองตสามได้ภา ว, วนาจนถึงต5ห้ากแล้ออานหนังสือค่อยอ า, นา น, น, านถ้าทำแนี้เราก็ไม่ต้องไปวัดนแเรวก็คิดว่าิดของเราว่าปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาพอตนขึ้นมาก็ามีสติอยู่กับตัวถ้ารี้อยู่กับตัว อ, อ, อยู่กับทุกย่าง้าวไม่ว่าเราจะทำอะไรจะให้เรู่องสตอยู่กับ เราจะทำานทั้งแต่อาบน้ำอาบผ้าการอาบกันตัวลดว น, น, น้ําตาลที่ทำงานเพ่อลดการงานอยู่ที่ทำงานก็มีอปฏิบัติในการทํางานไม่ต้องไปเพิ่มเรื่องออย่างนี้ก็เราก็จะได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้แรับรองได้แล้วผลจะได้ามามากการด้วยการปฏิบัติจะแรงก้าวหน้าจะทําให้เรามีกําลัง คือระห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาะจะเจริญแต่ตัวมากครับม้นเขาเรียกว่าเปนอินทรีอินทรีก็คงมีอยู่มีอยู่บ้างแต่พอเริ่มปฏิบัติเริ่มจเจริญนอหมา น, านแล้วจากอินทรีที่เจะกลายเป็นภลระไปเป็นพลังลอินทรีห้าก็คือศรัทธาวิริยะ สติสมาธิอัญญาพอปฏิบัติพอเจริญพัฒนาไปแล้วก็จะกาเป็นทวังนเป็นทวละห้าเป็นศัพทายุทธสติสมาธิปัญญานแต่คนลระดับกันไม่ด้ว่านระดับอริยะก็ได้นี่ะถ้าอริยะท่านยังต้องอาศัยทวละทั้งห้านี่คือศัายุทสติสมาธิปัญญา เพื่อที่จะพัฒนาจิตของท่านใ้สูงขึ้นไปเรื่อยๆพระโสดาบันศรัทธาของท่านจะไม่ถ่อมคองไม่สงสารเนพระพุทธธํามพระสัง์นรู้ว่าไม่คือทางที่ถูกต้องพระพุทธเจ้ามีจริ้พทํารรมมีจริงพระมีจริเพราะพระโสดาบันนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ได้บุธรรมไม่เห็นธรรม้เมื่อได้เห็นธรรมก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าในท้องท้องกัน องคที่พระทธเจ้าทรงตรัได้ ว, ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นราพัสขาภพผู้เห็นสขาภผู้นันนน้นเห็ธและผู้ที่จะเห็นาลาสาภเห็นธรรมได้ก็ต้องเป็นพระอริยสงสารโลนั้น ก, ก็คือพระโสดาบันันและถ้าเป็นผู้มีโวงตาเห็นธรรมเป็นท่านได้แล้วต่อไป น, นั้นเ ร, เรื่องศรัทธานี้จะมีอยู่เป็นเปลี่ยนอย่างใด เนใจจะอยากจะปฏิบัติให้มีให้ทำมีมากขึ้นเรื่อยๆไปเลในที่สุดก็จะบรรลุถึงขั้นพระอรหันตได้ด้วยคุณธรรมทั้ง5้าประการคือพระห้านี้ยือปัจจาริยสาสติสมาธิและปัญญาดังนั้นพวกเราตอนนี้สติเราก็มีสมาธิเราก็มีกันอยู่นะ แต่ความเพียรยังจะมีไม่มากพอเพียรที่จะสร้างส ต, ตินี้ถามตัวเองว่าวันหนี่งี่ชั่วโมงเลือกขึ้นถ้าเรามอง8ชั่วโมงก็ขึ้น6ชั่วโมงที่เราเติมเราจะจะเรียนส ต, ติกันสักสกี่นาทีก็ควรจะตรวจตามดูตัวเองปําเมนผลของตัวเองได้ที่เราไปไม่ถึงไหนกันกนอน็อยู่ที่ตัวเราัเองหรือที่ทางประบัติของเราไม่ว่าอยู่ที่ทาง ถ้าเราประเมินแล้วเราจะเกิดทวามอายในตัวเราแล้วเราอาจจะคิดว่าต้องเกลี่ยนใจเราอาจะคิดเมื่อก่อนเราอาจจะหลอกตัวเราเองว่าเราปฏิบัติเยอเราปฏิบัตินานแล้วแต่เราประเมินจริงๆล้วก็ประเมินตาม่วโมงในวันจันทร์เมื่อไหร่เราจะคิดว่าเราทำบิญทำทานมานลายปีแล้วศีลเราก็รักษามาล้วภาวนาแล้วก็ทําแล้วแต่นีมันเป็นเพียงติวเผของการปฏิบติ ถ้าจะปฏิบัติเนเนื้อสุนัขเนี่ยต้งปฏิบัติทุกลมหายารเข้าออกในขณะที่เรามีมีความรู้สึกตัวอยู่ในขณะที่เราถือเราควรจะสร้างสติอยู่เรืยให้อยู่ในปัจจุบันอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่หลักของสติคือที่นี่เดี๋ยวนี้ถามใจเราว่าขณะนี้ใจเราอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้หรือเัลได้อยู่ที่เมื่อวานนี้อยู่ที่ที่นี้ อยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ที่ไหนนั่นแสดงว่ามันไปแล้วไปได้บ้างเพราะคนเราก็มีความเป็นไปที่จะต้องคิดถึงเรื่องนั้นเร่องนี้บ้างแต่ถ้ามันไม่มีความเป็นไปก็อย่าฝันให้มันไปอย่ยเพิ่มฝันคกดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงอดีที่มีความสุขว่าวันนี้มันหาย็นแล้วไม่ฝันเป็นนาคๆเพที่จะมีวามติดตามน้องหล่อองตรมี้ไร้สาระอั้น ความสิทธิท้าย ท, ที่อยู่ในปัจจุบันอยู่ที่นีดอย่างนี้นอยู่ในขณะที่เรามีสติถ้าเรามี ส, ส, สติแล้วจิตนั้นจึงสร้างนั่งอยากคือความสิทธิท้าสิทิอยู่ตรง น, นั้นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามหมั่นสร้างสติให้มากๆแล้วก็มีเวลาก็หาหมูลสงบนั่งสมาธิให้มากๆพยายามทำจิตให้โยงโยกําหนึ่ ง, าา ง, ใ, หงให้ได้เป็นเอกภาพรวม ให้ขาดจากอารมณ์ต่างๆขาดจากรูกเสียงสิ่งกัตถุจักม่แนจะมีเสียงมีรูปมีสิ่งอะไรก็มาตันผัดตามตามภาวะถ้าจิตขาดจากอารมณ์อย่างนั้นแล้วมันจะไม่มารบกวนไ่นั่งอยู่เฉยๆเงี้งเง้ยง่างเลาหมืตนัเหมือกับไม่ไม่เหมือนกับไม่ได้ยินไม่ได้ไม่ได้เห็นเวลาจิตสับมันจะเป็นงานที่ระดับหนึ่งถ้าบางอีกระดับหนึ่งก็หายไปเลย รูปโฉนดจิตและขดปฏิบัตอาการหายไปจากการยับยั้งจิแ ล, ล้วแต่ร่างกายก็ห า, า, ายไปหแือแต่จิตอยู่ตามลำพังของตนเองสักใจว่ารู้อยู่องนอั้นก็อยเมื่อเดียวเดียวหรืออยู่ได้นานก็กะแล้วแต่ฐานะของการปฏิบัติถ้าเราได้พบกับจิตแล้วรับรองได้ว่าจัตฐานนี้จะมีมาก แล้วก็วิริยะก็จะทํามมาอยากจะปฏิบัติอย่างเดียวอยากจะเจริญให้มากอยากจะให้จิตเป็นนย่งนั่นอยู่บ่อยๆไปอยูเ่เรื่อยๆแล้วตอะนั้นก็จะตัดความติดทางโลกได้ไม่ว่าความติดที่เกิดจากการดูการฟังการรับประทานการเดินอะไรต่างๆจะไม่มีความหมายตางๆเพราะความสุดที่ได้แล้วจาการได้สำปะกับความรวงโยงของจิต ความสง บ, บของจิตนี้มนมีอัณฑะมีมีความมีความสุขมากมายกว่าเทียบกันไม่ได้หมือนช้างกับหมือนช้างกับมดความสุขทางด้านจิตใจกับความสุขทางด้านโลกทางโลกถึงทางกับมดแต่เราไม่เคยเจอความสุขแบบท้างเลยพอเรามีความสุขแบบมดเราก็ดีแบบดีใจ มีความยึดติดเราก็เลยไม่เคยได้ใจสัมปัสยพันธุที่ว่าที่ประโตกี่ว่าอะไยะทั้งหลายได้สัมผัสจ์แต่ถ้าเราบำเพ็ญอย่างที่ได้สอนไว้คือพยายามตั้งสติอยู่เรื่อยๆแล้วนั่งสมาธิให้มากจนจิตรยมโยนได้แล้วทีนี้ก็จะเป็นละว่าท้าสุก ที่พระพุเจ้าแล้วพระอาจารยกับชาวก็ทั้งหลายได้เนมีสมัติได้เป็นสมบัติแล้ครอบคองนั้นเป็นอย่างไรและเลรงก็จะมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติเพื่อให้ได้สมบัตินั้นม่อยู่กับเราตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วการจัดการปฏิบัติเราก็จะเคลืบหน้าพอวราชลาภุญล้ะทุนเราก็จะ การเริ่มัญญาต่างๆปัญญานี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองตามที่เราเข้าใจกันพอปัญ่าคิดว่าเมื่อได้สามาธิแล้วปัญญากะตามมาส ม, มาธิเป็นเพียงเป็นเครื่องสนับสนุสนที่จะทําให้เกิดปัญญาเพราะเวลามีส ม, มาธิจิตสงบนงี้แล้วจิตจะไม่รอใจรอเงีาา้ยเวลาที่จะให้พิจนาเนเรื่องใดเมื่อแค่คิดณานาะ ใหเห็นความเป็นอสุภะเมื่อเหือยเมองานจิตก็จะอยู่กับการคิดณ า, านั้นอย่างสองเมื่อเริ่มคิดงานแบบรักและก็าหายไปคิดอย่างนั้นองนี้แล้วอากจะคิดอย่อยางั้นทั้งคืนทงอนจนกว่าจะเข้าใจเห็นได้อ่างทะลุกโกรงตลอะเวลาจนสามารถตัดความหลงยึดจิตในความสวยงามของงานสิยได้คือ ระงับแบบยาคือความกำลังยืนดีในหน้างกายได้ถ้ากำลันถึงจะหยุดจากากรารคิดแย่ๆเพราะเมื่อสามารถระงับแบบยทคปัญหาได้แล้วปัญหาก็หมดไปที่ต้องคิดแย่ๆคือเพราะว่าจิตยังหนอยังมีความยืนดีกับร่างกายของผู้อื่นโดยเฉพาะของเทศตรงข้ามนะครับ จะเป็นอย่างนี้หญิก็ต้ อ, อ, องพิจารณาชายชาก็ต้องพิจารณาหญิงยวาถึงความม่เม่เมืองงามอ า, าการสัมผสองเรียระาตุไม่กันที่ตายไปแล้วเป็นอย่างไรพิจาาดูอย่างนี้นเรื่อยถ้ามีสมาธิจสามารถพิจารณ า, า, า, ราได้ทนนั้งวันทั้งคืนเดินยืนนั่งนอนในเวลาวาจิตไม่ลาใจไหนไม่ไม่หิวกับอารมณ์อย่างอื่น เพราะมีสมาธิหล่อเลี้ยงอยู่ความสุขที่ไปจากความสงบนี้มันเป็นเหมือนกับยาสระตุ้ที่จะฉีดที่จะทําให้เกิดปัญหาความอยากต่างๆไม่มีกําลังที่จะถึงหน้าจิตาจให้ไปยากไปโรกได้แต่ถ้าไม่มีสมาธิแล้วรับรองได้ว่าจะไม่สามารถพิจารณาสุบันได้อย่างต่อเนื่องยือพิจารณาอะไรก็ตาม จะพิจารณาได้เป็นรักๆนั้นเองเวล้เลืเชื่อขณะหนึ่งแล้เดี๋ยวก็ถึงกับอารมณต่างๆบางทีเดี๋ยวก็กังวลกับคนนั้นกังวลกับคนนี้โหนคนนั้นโหนคนนี้ห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้ก็จะไม่ได้ไม่ได้พิจารณาอย่างต่ำนเ่ยไม่ได้ไม่ได้พิจารณาอย่างต่ำเนก็จะไม่เห็นอย่างแท้ทับแท้ก็จะไม่ถามารถตัดอุปทานความรู้หนักหรือไม่ ัปัญหาควาเอยากเป็นเห็นกัน้นั้นสมาธิจึงเป็นสิ่นที่สาคัญอย่างนี้ต่อการเจริญปัญญ า, านั้นเมื่อมีได้เจริญปัญญาอย่างเป็นที่แล้วก็จะตัดอุปทานตัดปัญาหาได้ถ้ า, า, า ป, ปัญหาอุปทานถ้กตัดได้ยิงมุติเหตอการหนึ่คนก็จะเป็นผลตามมานี่คือการปฏิบัติ ทางละทางวิกัาสนาเป็นเป็นสายตามเป็นขั้นเป็นตอนี่พูดถึงเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนประการปฏิบัติใดยตรงคือสัทธาสติวิริยะสมาธิและธัรมญาที่ยังไม่รวมถึงสีละทางที่เป็นองค์ประกอบอสองส่วนที่ต้องมีด้วยทั้ไกลถ้าใจยังไม่ เป็นคนใจกว้างนังเป็นทนทะเลี่ก็จะปฏิบัติธรรมยากจะรักษาศีลยาถ้าเป็นคนที่ยัไม่มีสิ้นอยู่จิตใจก็จะไม่สมบงบยากยังจะวุ่นวายรุ่งงนร้อนกับเรื่องต่างๆเรื่องที่คนยังจะกระทำผิดกระทำอะไรผิดละจิดการงินใจมีความกังวลมีความวุ่นวายใจเพราะนั้นนอกจากปฏิบัติวิญญา สมาิปัญญา แ, แาแล้วก็ศสัทาแล้วก็ยังต้องมีการทำบุญให้ทานและการรักษาศีก่อนอย่างที่พ ว, วกองเราทั้งหลายได้ปฏิบัติ ก, กันดีงนั้นอย่าไปเสียดายสมบัติเท่ากับเ ง, งินทองมาทำบัญชีกั น, นอยอดหนึองไว้ส่วนไหนที่จำเป็นก็เก็บไว้ส่วนไหนไม่จำเป็นก็อกไปจัหนายการแจกัน มันจะได้จัดความตึงจัดความโลภมันจะได้ไม่อยากจะได้เงินทองมันพกเขรู้ว่าพอแล้วมีทองคืนแล้วจะเอามาทําะไรเอามาก็เอามาทําดินอยู่ดีอย่าไปไปหามาเพื่อเอามาทําดินอันนี้เป็นความเหนความติดในการทําบุนมีการทําให้ไม่เจริญก้าวหน้าเพราะทำด้วยความโลภโลภในดินความโลภในดุนนี้ก็ผิดในการทําดินนี้เพื่อจัดความโลภ เพราะงั้นก็ขอให้บังบังเพงาที่มาเป็นเพื่อนกันคื่อนๆเราพยายามเข้ ญาติเขาเนี่ยได้ทำนานที่สุดแล้วหนูบอกว่าไม่ควรไม่ควรให้ทําเพราะว่าในระหว่างที่ทำเนี่ยตรงนั้นเนี่ยพวกเหมือนกับการสู้กันอยู่เราคิดคลุ้งคล้าตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าได้แน่นั่งเขาผิดหรือผิดตัวอตัวตัวคนที่มาถามปัญหาเนี่ยเขาก็อยากให้ให้ได้ทํำนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่ทําเนี่ยญากิเขาเนี่ยทําไปได้ถึงเป็นชั่วโมงแต่ว่าออกมาแล้วก็บอกว่า มีการสู้กันระหว่างกับผู้ราที่ที่ที่มาเ้าก็ค่อนข้างจะมีคนปฏิเสธทำถ้าเวลาที่เขาทำยาเนานสงบตอนนั้นไม่มีปัญหาอะไก็ไม่ท่าบเขสง่เปคนกเพราะว่าเขานั่งอยู่นะคะแต่ออกมาแล้วก็กล่าว่าค่อย่างนั้นก็พราะคนมึงไม่มีโชคเรียกว่าไม่มีปัญญาก็ไม่ใช่ว่าไม่ควรทำคือเราว่าตอนที่เขาทานั้นเอ ถูกหรือไม่ไม่ด้วยเขคิดอะไร่งเยแต่ถ้าก็ถ้าถ้าเกิดความคร่งขรันแสดงว่าไม่มีสติถ้ามีสติมันจะมันจะมันจะดูความคิดตร ง, งนต้อะยแล้วก็ถ้ามีปัญญามันก็จะระงับหยัความคร่งขรั่นได้นี่ไม่จริงอธิบายสัาาที่เรา ขณะที่จิตเราวุ่นวายาน่ารักไม่สงบเราก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปหาเหตุกันว่านะคะเราจะ ก, กังวลกับเรื่องอะไรและเราก็ใช้ปัญญาเข้าไประลึกเหมือนว่าเรื่องแบบนี้มันไม่มีกาละอะไรจริ ง, าางเราเพีย็นว่าเราไปให้ทางสําคัญกันน่มันเอง แต่คามจริงแล้วมันไม่มีมันไม่ได้เป็นคานสังผัสอะไรมันไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราไม่ได้เป็นความสุขที่ท้รงาถ้าไม่มีมันเราก็อยู่ได้แต่งนวหรับคนที่คนที่เป็นคนบ้านเนี่ยไม่ไม่เหมือนคือเขาก็จะมีมีระยะที่ดีและระยะที่ไม่ดีเป็นคนบ้านเาก็ไม่ได้สกตัวเาแสดงว่าเข้าเกิดเขาอาจจะแบบว่าสึกคนแบบแบบ ในช่วงน่าจะมีสถิตย์จะพอทุกอย่างเรู้องวลาอช่วงที่ไม่มีสติตย์ก็เมือนผมีล่ามานี่ผแบบนั้นจะบปยันนำงานได้ไหมก็ไม่รู้เขาจะรับทําันนำผลงานได้เปล่าช่วงสามภาษาโควาขาดกับทุกอย่งแน่นใแต่เขาก็บอกว่าเพอสอบจบก็ไม่จามาวถถ่ายช่วงรายความคิดการที่แน่นใจทำไปได้ แ้าม่มีปัญญาหราือว่าไม่มีกำลังที่จะดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบคือการดักบงทุกเลินดับได้ของของวิธีอุบายของสมาธิอุบายของปัญญาอุบายสมาธิจะกำลังทุกตัวเรื่องอะไรก็ดึงมันกลับเข้ามาหาพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวแล้วมันเป็นพุทโธเรื่องที่ทําให้เรามนความที่เราอยู่กับพุโทโธไปจนจิตมันเฉลียเดได้แย่นี้กระดับความเพได้ แต่ถพอท้อเราจะาทางสงบว่าไปคิดเหตนงั้นนะมันก็จะทุกข์เ <Okay. S 1> พราะมันยังไม่รู้จัก ต, ต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ถ้าใช้การเห็นปัญญาพิดญญาหตุว่าเราทุกข์เพราะว่าเราเป็นหนี้เราเป็นเลือดเป็นตุกเงนเราเห็นว่ามันดีมันดีเกินแต่บางทีงนั้นมันไม่ดีมันไมดีเกินเพราะเราไม่มีมันเราก็อยู่ได้ถ้าเราคิดงานไม่ได้ เราก็จะไม่ยึดไม่ติดอั่งมันอยู่กับงานได้กันอยู่ไปมันจะไปก็ให้มันไปแะลอง ส, งสัญญาณพอดีเพ่รางเพินงวายใจกกเพราะว่าจะต้องสูญเสียสิงที่ตเ น, นเองหลงรักหลงชอบฝ่ายองเองเ่นคนบางคนเราหาองรักเขาเองเราก็จะจากเราไปในนาเขาวุ่ น, ะ ว, านวายใจคไม่ได้เลยาทาอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าเราทิา่ในนาเขาก็แฉกคนคนนีมีอาการฐานที่สองเหมือนเนรา มีมีแจกแกสุทางนั่นนะแะถ้าวันเ้าก็ไม่แจ่เราไม่แจจากออกจาถ้าขึ้นแบบนี้ได้เราก็ปล่อยวางได้เมื่อก่อนเราไม่มีเถวเราก็อยู่ได้เมื่อก่อนเราไม่เจอความากเราก็อยู่อเราได้ที่เราวุ่นวายเน่เพราะความเหนอยความยึกุศในตัวขงเข้ามา <c oughs> ถ้าเราใช้เา ด, ด้วยปยัญญาถ้เจอเห็นถ้าเห็ น, นกรนะจายเหน็นสุภาษนี่ยถ เราก็เฉยๆเราปล่อยวา้ได้แต่คนที่มีปัญญาอยากอย่างน้มันีน้อยถ้าตื่นอยาก็ต้องอาศัยวิบากสมาธิแต่กลับง่ายที่สุเวลาทิกใจไม่ะบารใจกหนึ่งไปโดยความทุกโ์กันพยายามอยากไปพิจถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายไม่บายใจถ้าใช้ปัญญาได้ก็พิจว่าเขากับเราก็้วันนีงก็ต้องจากกันอย่างดียวไม่จากวันนี้ก็้ม่จาก ในอนาคตอย่างม่นอนภยน้อนนี้เป็นโลกของอนิจจังไม่มีใครจะอยู่รอดปลอดภัได้ตลอดถ้าเราพิจารณาานี้เราก็ปล่อยมันได้ที่ทำมัดีเราใช้เป็นยาไปที่นาไปบาทีก็ความที่สติหรือวาำลังสมาธิเราไม่พอเนี่ยมันก็กลับไปฟุ้งอีกเราก็ขับมาพิจารณาอีกมันก็กลับไปฟุ้งอีกมันก็สู้กันดีอย่างนี้นะครับนกับธรรมะกัอาธรรมสกันดีอย่างนี้เท่าไห ก็มองพยายามทำไรื่อพอเราสูขขื่อเข้าไปเรื่อแล้วอไปแล้วก็ธรรมะกจะมีแรงว่ า, าเป็นการสร้างพลังถ้าถ้าไม่มีแัง ท, งที่ทาที่กระเพว่าถ้าไม่มีความปัญญาก็บอกเกิดไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดถ้าไม่มีนอนรอนก็ไม่เกิด ที่เขาเขาพาเปลี่ยนไปตามที่าา ท, ท่านอาารบอกเข้าไปนะครับว่าความคิดไม่สามารถบรรลดโลกได้ที่ท่านอาจารย์ถามไปเราก็บอกว่าแต่เนื่องจากว่าตรงเนี้ยโรคอันนั้นยังนไม่ได้เป็นโรคะโที่เกิดจากทางกายสิ่งที่เกิดจากญาติเลยนะครับเป็นโรคที่เกิดจากจิตทางจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ึกของเขาอันหนึงก็คือว่าเออ ยากเขาจะไม่สามารถจะรับรู้สิ่งที่เขาจะให้กินยานหรือจะอะไรได้อีกอันหนึ่งสังคมักำกยดว่เาเป็นคนบ้าก<ม>็ยังทุกอันนี้ของเขากำจัดเขมองเนี่ยก็มองว่าที่เขอเป็นคนตายพวกนี้เนี่ยเป็นคนตายก็เป็นคนนอกสังคมแล้วแล้วเราก็อย่าไปหวังอะไรจากสังคมขงเขาบ้างสังคมก็จะมองใครอย่างไรก็เป็นเรื่องของสังคมครับ แต่เราอย่าไปมองการสังคมเสียกับหมดนั่นเราอย่าไปหวังอย่าไปอยากให้สังคมก็มองการความอยากของเราเท่านั้นเองเราก็ยอมรับว่าสังคมก็เป็นอย่างนี้แล้ก็สังคมก็เป็นสังคมของคนตามบอกนี้หมดเขาก็มองไปตามระษาของคนนี้หตามบอกแต่คนที่มีปัญญาก็จะมองด้วยความเมตตาด้วยความกรัญญด้วยความสุขแท้ มองเป็นธรรมคือว่านี่แหละมันเป็นวิบากกรรมของขาวแหละเขาทำกรรมของเขามาเขาก็ต้องรับกันสขงขาวไปแต่เราคนกล้าคิดเราไม่จําเป็นจะต้องไปแบบกเป็นหนักเป็นหนักใจกับกับวิบากของขาเราก็พยายามเชื่อเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะเชื่อได้เวลาไปฝายพระพั้านหนึ่งก็เหมือนจะมาต้องมาอ่านฐานหน้ามาเสียอกเสียใจอะไรกับฐานขอเขา ผมก็จะบอกไนะก็เพราะว่าเขาเขามีความเห็นของเขาอย่างนั้นเขาก็จะมโนไปเองคือปัญหาก็อยู่ที่ตัวเขาว่ากกว่าคนคนที่เสียสติเพราะคนเสียสตินี่มันก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เนะใน ต, นนตอนนี้เนี่ยถ้าตกงานลบอยู่ตอนนี้คนที่เสียสติก็มีนคตมนตกงานลบคนที่ยังมีสติอยู่เนี่ยคนจะแก้ปัญหาของตัวเองไม่ได้ อย่าไปทูดกับเขอย่าลักความคิดว่าเขาเป็นอย่างนี้นเป็นวิบากกรรมของครรมการที่พระเจ้าเยสอนเร่งเจริญอย่งนงไรว่ากทั้งหลายมีการรป็นของตรงกฎกรรมกรรมหน่งไดว่าเดืหรือชั่วจะต้องรักถึงของกรรมนั้นที่คือการเจริญครับคือเบขาธรรมคือต้องนว่าวรรว่ามันเป็นแม่ของกรรมแล้วก็ไม่มีใครที่จะไป ขวางกรรมได้แค่นี้พอจะรู้ไ้มเราทำวิบากกรรมใดถึงทําให้ผลแบบนั้นนะเพราะเพื่อจะบอกในปนบบระเด็จิตใจเรื่องของกรรมสาหรับพวกเราเนี่ยพวกผู้ที่เรามิอยากไปคิดเลยว่าทําอะไรได้จะได้อะไรไอะไรแต่ขอให้คิดโดยภาพรวมก็แล้วแต่ว่าทําดีได้ดีทำเชั่อได้เชื่อถ้าอยากจะหยุดคร่งจากกรรมก็จเจริญทานสิงห์พอนาถ้ายังอยากจะ ยังอยากจะเวนไ่า้ดาวเกิดอยู่ก็ให้ร่วมือโทรสันไปรื่อยๆนีคือภาพเวรแค่ น, น, นิ้วมือย น, นี่แค่นี้ก็เกิดจากการหาส่วนใหญ่คนที่เป็นบ้าก็เพราะปัญหาเนี่ยมันผ่านไปอยากจ่ได้อะไรก็ทํำไป ท, ไป ท, ทําไปเรื่อยๆทาไปหลายก็ไม่พอก็หาเรื่องอื่นเรื่องใหม่มาทําเรื่ อ, อยๆที่วันก่อนเราพูดเรามีดารารับรองชื่อดังเนี่ย พอบางแล้วมีเงินทองเยอะก็เอาเินทองไปซื้อความสุขซื้อเครื่อขอซื้อยาเสติมสุขซสุหรี่ซืยาเมลไปเที่ยวที่นันที่นี้แต่งงานกับคนนั้นแต่งงานฉนนี้เกการกระทบบ้าไปหาความสงบไม่ได้ยิ่งทำตามทางอยากเท่าไหร่มันยิ่งทำให้จิตทุกข้าจมากขึ้นไปเรื่อยๆการไม่ได้ทำให้สงบ จิตจะสงบมันต้องฝืนความเนี่ยต่อบรับองความอยากพอมีเงินมีทองตั้งด้วยเงินเงินจะมีเครื่องม้เครื่องมืของจีตเลยเของความอยากอยากจะได้อะไรก็ก็หามาหามาหาอะไรมาเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เป็นความสุขแค่เพียงเป็นความสุขตอนเทนั้นเราจะมาให้ความอิ่ความพอกับสร้างความอยากความดีให้นี้มากกว่าเดิม บ้าขอตอนที่สมัยที่ไม่มีเงินมีทองก็พยายามหาที่มาเอื้อมเรื่อ ง, องเอ ง, งินได้ทองเท่าไหรมันก็ไม่ได้ก็หานไปเพื่อสุญญายามาเป็นเรื่องดับความทุกข์ยากหันไปเื่อยาระดับระงับปะสะัสาะหันไปเพื่อยาเกิดจิตเมล่อยาที่เกิดก็ตายไปอย่างรัง้องดังแอร์วิสีกระตาทันยาทำยากระตุ้นปกาสนวะทยาระับประสาว เวลามีการเ้าคอดหายเาก็จึงยาตะปู่นให้หลัมีความดเขือนเด็กอนพอมีติดเขือด็กนอนไม่หลับถ้าต้องกินยาละนอ น, ออนอหลับอย่น่ก็เข้าไปทำยาได้แต่ันนี้ไม่ถนัดแคเด็กนิดหยึงเนี้คำนั้ถ้าเราทำตามความอยากมันจะเป็นไงเป็นการพาให้เรากลายเป็นคนบ้าไปในที่สุด เศรษฐีบางคนนี mm ้บ hmm. um, ้าแบบบ้าแบบกัวคนรี้กัวเชื่อโรคต้องอยู yeah> ่ในห้องคนเดียวไม่ให้ใครเข้ามาใครจะเข้ามาในห้องนี้ต้องค่าเชื้อก่อนตัวเองไปไหนไม่ได้ถังตัวเองอยู่ในอยู่ในห้องเนี่ยคนที่รวยๆนี่จะเป็นบ้าแบบนี้ตรงนี้ดูาเท้าเมาแล้วก็ เราก็ร้องร้องห้แล้วกก็สงสายแล้วก็อยากขึ้นาอยู่กัสท่านใจร้าทุกทีว่าจะอะไรก็ทาไม่มาดีเดี๋ยวเราได้ฟังอันนี้คงเดี๋ยวก็ร้องไห้เพราะมาก็ไม่เกิดประอยู่์อะไรเพราะว่าก็จห่วงคอยคอยอยู่ต้องตัดให้ได้ตัด้าถ้าตัดให้ได้ยาวแลวภาความเป็นจริงไปแล้วทำงานนี้ก็ต้องตายต้องตายในที่ประตอนี้ตายไปแล้วก็ได้ก็ได้หมด ที่อย่าง่อย่างคนตาไปแล้วคนตาไปแล้วสภาวะแบบนี้มันคนที่อิเดียภาวะแบบนี้เนี่ยต้องพยายามอยู่ปัจจุบันให้ได้อย่างนั้นเพราะว่ามันจะฟุ้งมาตลอดเวลาไม่ได้หวงโขคนอื่นตัวเองนี่พยายามต้องให้อยู่ปัจจุบันให้ได้แล้วทำอะไรอยู่อะไรอย่างนั้นคนที่คนที่เป็นบ้าอะเราว่าเนี่ยคนที่อยู่ร่วมด้วยมันก็จะเป็นมาว่าเป็นคนล็มาว่าเป็นคนละคน ก็ก <St> <toys> ิร <P an> ิยาการการกระทำมันม like kind of ันไม่ได so ้เป็นคนแล้วมันเป็นเหมือนกับเดรัจฉานก็ต้องมองอย่างนั้นไปด้วยถ้าเดรัจฉานไม่ตามหมามันก็ต้องถูกล่างแล้วก็ต้องขุดล่างไว้เพื่อเพื่อป้องการได้เข้าไปทำร้ายผู้อื่นไม่ทํา้ายตัวเองถ้าเป็นแบบพี่นาแบบนั้นก็ก็น้องกับไปหาตัวเองเลยก็ได้ใช่ไหม คือสองส่วส<อ>บบนต่วทของคนที่เราต้องดูแลปฏิบับ ต, บบบติเราก็ต้องดูแลปฏิบัติให้เหมาะสมกับฐานะของเขาเส่วนเราก็เราก็ต้องมองว่ามันเป็นธรรมดาของของชีวิตมีเจริญก็มีเสื่อมเป็นธรรมดาเชียแต่ว่าเราไม่เคยสนใจสุขะถึงความเสื่มอมพอมันเกิดปรากฏขึ้นกับคนที่เรารับเราก็รับขับกระทบไมาา่ไแต่ถ้าเราพิจารณาอยู่เตรียมไว้หน้าก่อนแล้วว่าสักวันมันจะต้อง เกิขึ้นกบับคนที่เราแลวไม่ว่าจะเกิดขึ้นแบบไหนก็ตามอาจจะนรโรคภัยไข้เจ็บเรืองวามเจ็บความเจลาหรือความตาแยแบบนี้มันต้องเกิดขึ้นแน่นนแต่เราฟ้อ่เก่ยวหอนะจะมืนกับเป็นคนสั่งวิยญายแล้วก็สั่งไว้ในใจว่าต่อไปคนนี้เขาจะต้องเป็นอยนนี้นะสมมตว่าเขาจะต้องเป็นบ้าไปนะอา เราจะจะไปไม่ยบด้านหน้าตาตปักรักยินไม่ได้ออ่างพิจารณาไปก่อนเรียมตเตยว่าปสภาพน้ก่อเพราะมันเกิดขึ้นี้เฉยไม่เปอะไรม่ได้ท่านเขาละลวละตัวเราด้วยท่านเวลาพิจารณากายท่านไม่ได้สอนเฉพาะพิจารณาพิจารณาแบบคนเองพิจารณาการเราด้วยการขด้วว่ามันก็เหมือนกันอยู่ที่ว่าเจอเป็นวิบากของไทย แค่นนเอมีบาปองเาตแต่ละคนที่เราทํามามันไม่เหมือนกันแต่มันก็เป็นเพียงแต่ใจเท่านั้นเองถ้าเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจว่าใจเป็นยังไงก็จำได้เดียร์เราเข้าใจมันไม่เปลี่ยนใจใจนก็เหำือนเดียร์ใจไม่เล็ดมันไม่เป็นเสร็จอะไรก็ตมามใจถ้ามีปัญญาแล้วใจก็จะมีตวนานะมีที่เพื่อนทำให้ใจเป็นเด็กาวได้วุ่นวาย กับเรื่องราวต่างๆ ก, กับคนกับอะไรก็นาถ้าเราไม่ไม่เจริญปัญญาไม่แยากกายออกจากใจไม่รู้ว่ากายเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่ากายเป็นยังไงมันก็กลับโผล่ขึ้นมาเองขั้นส้นๆให้เจริญทำ ว, ว่ายราเกิดในร่างเรามีคามแก่คว เกิดขึ้ได้ต่วนตามใจเป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่วความเกิดขึ้นความตายแต่ไม่ได้ก่อนนี้วลาต้องมีการท้าทายจากความาากกาเป็นธรรมดานี่เป็นเรื่องธรรมดาไม่เห็นจะต้องมาตเติมเต็มมาล้อเหงื่อล้อห้ามันมเป็นปัญหากันเลยที่มันเป็นปัญหาเพราะว่าไม่ได้มองว่ามันเป็นธรรมดามองว่ามันเป็นเหตุการณ์ปลระหลาด เนี่ยคือสัมมาทิฏฐินิสชาทิฏฐิก็อยู่ตรงนี้นิสชาทิฏฐิก็จะมองว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องแปล<ม>กปรลาดเรื่องง่าอาจะเกิดเนี่ทไมถึงเกิดแปลขๆ อ, อ, อย่างนี้เกิดขึนแีแต่ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิก็เห็นว่มันเป็ น, น, น, น, ร au, ปนเรื่องธรรมดามันเกิดขึ้นกับคนทุกคนเนี่ยมากน้อยหนักรือเบาผ่านไปทั<ม>้งเลยโดยนิสชถ้าเข้าใจหลังนี้แล้วก็จะ ถ่อยวางได้ไม่ใส่ขาก็ามไม่เป็นไรหลับทั้งรยหนึ่งงจะทำใจได้เงินก้อนมันจะผิด ม, มันก็จะมีที่เหลืนะมันจะตอบต้านห่อยากก็อยากจะให้เป็นไปตามความอยากของตนเองแต่พอั้งระหนึ่งนะมันก็ยอมรับมันก็ยอมจานวนต่อสภาพความจริงมันก็ตรงได้กตรวมัยยนก็อยู่กับะภาพในย่าง มันเป็นปกติของคนส่วนใหญ่เวลาเกิดการเสินเสียเกิดการการเกิดเหตการณ์ที่เลยร้ายกับตนเองไม่กับคนกับคนที่ต น, นตนจะจะรับไม่ได้กันเกิดความวต่อต้าน <c oughs> เกิดความเพลียเกิดความทุกข์มากและพอสักระยะหนึ่งเวลาผ่านไปมันก็อยากจลับไกับความจิ เพรอยากยังไงมันก็ไม่ได้ไปจุดกลางถ้าเป็นใจกลามความอยากมันตรงได้ถ้ายอมยอมจนงยอมรับได้มันก็ตรงได้ถ้าเป็นได้จิตนี้ก็กลับมาสุขภาพกับมาสุขเพียงแต่ว่าจะเอาเหตุการณ์นี้มาเป็นบทเรียนของตนเองเพื่อจะรับกับเรื่องอื่นๆที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าจิดหรือเปลาเมื่อที่ก็ถ้าเรายังเกี่ยวข้องกับคนนู้นคนนี้อยู่มันก็ยังมีโอกาสที่จะต้อง มีเหตุการณ์เรือว่าที่ต้องเกิดเพื่อสัตวคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยอยู่นี้แม่ปรับตั ว, ว, เ, เ, วเราเองเกิดแเราพิจารณาใจเราเคยคิดบ้างหา ร, ารือเปล่าถข็งขาดขาขาดือหมกตาบอดเราจะรับ ก, กับสภาพกันการสิ่งไม่ได้หรือเนี่าถ้าเรารับได้เลยเท่าไหร่เราก็จะคุดข์น้อยเท่านั้นถ้ารับได้ยากก็จะทุกข์มาทุกข์มากถ้ารับได้เลยก็ไม่ทุกข์เลย จะเป็นหรือไมเปนกเป็นเลยพอเป็นแ้วไม่นนจะทำยังไงจะไปห้ามมันได้ไหมเราต้องพิจาราพระเจ้าสอนมน้พิจารณาทั้งตัวเราและกับผู้อื่นผมว่าต้าตัวเราตาบอดไปบ้างนรือว่าตัวเราแขนขาดไปบ้างขาขาดไปบ้างจะทําแล้วก็ต้องยอมรับกับสภาพของเรกคำถามที่คิดถูกถามว่าในสภาพการติดใจแบบนี้นะครับ เขาเหมอกที่จะนั่งภาวนาไหมตัวเท้าเรืว่าตัวตัวเ้าไม่ใช่ตัวพอถ้าภาวนาได้ก็เหมาะที่สนเพราะเป็นวิธีที่ที่เรา่ดุดชนะคนป่วยนี่คงคงลบากที่ไม่ได้จัดคนป่วยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องคนเบาก็สอนให้เขาภาวนาคงไม่ได้เ่องได้ถึงเคยนธิบายใจตาไปเที่ยวดีกว่อตา้กเรีเรื่องราต่งายก็มีความสนเพิดเพลนกับสิ What? What? ่นั้นนี้ ถ้าเข้าไปได้นะ้าเข้าไปแล้วเม่แปลเราลาบเพือเขามางทีอยู่กับบ้านทีานา่ข้ า, า, างในเป็มเพียงแค่ความร้สึกเฉยๆถ้ถาได้ออกไปปล่อยอารมณ์ไประบายอามณ์ไที่เมื่อที่มันก็จะเป็การนำพาไปได้ได้ <laughs> แต่ก็ดูทานาของคนว่าเราอยู่ในสภาพที่รบนี้นนนไม่ไดถ้ารับี้แล้วาออกไ ป, ไ, ป so <laughs> ไม่เกิดประโยชน์เลย คือด้ยินพระบาอาจารย์พูดถึงเรื่องของทำภาวนาและมีพระรูปที่ภาวนาแล้วสติฟุ้งแตกแปนะฮะท่านก็ห้ามไม่ให้ภาวนาก็ท่านก็คงจะหมายถาว่าภาวนาแบบที่ตนอนนี้ภาวนาแบบนั้นนั้นไม่ถูกต้องคนดังนับอีกแบบนั้นต่อต้ก็จะสาม พอที่จะภาวนาที่ได้แล้วก็พอเนี่ยที่คว่าภาวนาก็คือเราึงว่าภาวนาเป็นแล้วภาวนาืองรรู้จักทำจิตให้สงบได้แต่เรายิ่งเศร้ายิ่งลอยกับเรื่องอะไรต่างๆแล้วเราใช้ปัญญาที่จะาปับมันไม่ได้เนราก็ภาวนาด้วยด้วยการทาจิตให้สงบพื่อสมาธิ ถ้าเราทำได้เราเคยทำอยูเป็นประจําแล้วก็ใช้การประจําสมาีิเป็นเื่องระยะหนึ่งอจะหรือจที่จะพยายามไปดูในชิงบ้านต้องรับผิดชอแต่ถ้าปัญญาก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีจะมาดู้านหรือใส่เอยากไปอยู่ใกล้กับเหตุการณไปดูหนังไปคาเม่อะไรนะ อห้มัน้มันมเรื่องที่มันสร้างความทุข์ไปให้กับเราเนี่ยไปอยู่วัดก็ได้ถ้ามันไปทก็ได้ท่านอาจาย์แล้วค่ะกลวมาลเดี๋ยวก็จะห่วงแล้วก็จะราคิดว่าทิ้งปัญหาหรือเ่า่มันก็จะเป็นเปลี่ยนไปหือเปล่าหรือเปล่าทอดทุ่ทอดหรือเปล่า เราก็ต้องเราก็องคิดว่าเกิดที่เรามาเพราะ อ, อะไรถ้าเรามาเพราะเราต้องมารักษาสตัวเรานี่ก็ไม่เป็นการฆ่าคนว่าเวลาเราไม่สบายเราก็ต้องไปพ่อโรงพยาบาลถึงแม้เราจะดูแลใครอยแต่นน้เราก็ต้องปล่อยเขาไปก่อนเพราะเราต้องรักษาสตัวถ้าที่อย่างนี้มันก็ไม่เป็นการฆ่าคนถ้าที่ไม่เป็นะอะไรก็คือเราเราเร า, าเราอยู่ท้องตลาดเรา เราปล่อยให้เป็นภาระของคนอื่นหอปล่ามาอยู่ด้วยกันมันก็ต้องส่้านเองคนที่มันอยากจะต้องมันอยู่นิ่งๆมันก็หาเรื่องต้งกันได้มันม่ได้อยู่ที่สถานเจมันจริงๆดี่า็ัะเป็นความรับผิดชอบพี่ก็ต้องดูแลนะครับจะมาห่วงให้เราบางคนมาบวชก็มาคิดว่าให้เราเราเราจากความรับผิดชอบพ่อแม่เราหรือเปล่าที่จะ สิ่เดีวมันจะสร้างความสร้างให้เราได้หลายอย่างหลายสิ่งด้วยกันดังนัเราจะทำอะไรเราต้องมีเหตุมีผลและมีความมั่นใจมนเหตุมีผลนะเพราะไม่มทำแล้วมันจะไม่มีการกิจกับสงสัยแทําด้วยความไม่มั่นใจนี่เดี๋ยวมันนี้มันต้องสงสัยนะแล้วยิ่งคนนี้เขาทิศสายที่สงสัยอยู่ด้วยสงสัยอยู่ด้ย อาจารย์ครับการย์้ข่าวสิงห์้ามาที่ปัญญาคงใจที่มันมมีความเฉียดที่ถ้าสิงห์สมาธิจังได้เนี่ยเหมือไม้สามท่อนที่สองเรียนใจที่ขึยังขึ้นจและจันซึ่งก็หมายความว่าถ้าปัญญายังไม่เกิดเนี่ยก่ถ้าบอกมีคนตอนนั้นที่ยามจะกไม้สองอันนี้มาทำใจเป็นแ้่ขึ้นเป็นปได้ยากเช่นอาจารย์คือต้องหาไม้สามอันมให้พร้อมก่อนแล้วก็เอามาก่เอน จะต้องหาทานมาก่อนนะฮสมาธิลาก่อนนะปัญญามาก่อนแล้วก็มันประกอบกันเมืเราสร้างสติได้เงาไม่ต้องมีไว่ก่อนทักเรื่อสร้างสติได้คุ้อเราข้ามยันกันได้แล้วก็ต้องหาของที่ง่ายก่อนนะฮทานก่อนหาฮสียงก่อนหาฮสมาธิก่อนแล้วอยหาปัญญาเรามาดาวปาข้ามยนกันให้การเป็นเรื่องป็นวิถีานขึ้น การปฏิบัติเพื่อขั้นพิการเสมอกับการสร้างบ้านอย่างก็ต้องหาวัาสดุอุกปรกรณ์ต่างๆมาให้ท้อมป้ะกอบเพื่อสร้างได้ที่แต่ละคนนี้อาจจะเคยหามามากน้อยจากกันแล้วบางคนเขาไม่ต้องมาทำดินทำทรายอย่างที่เรากขาได้เขาไม่หนึ่งก็อาจจะไม่มีเงินทองแต่เขาก็ไม่กังวลว่าต้องอยากจะทําดินนึงเท่เราร่ เขาไม่มีเขาก็ไปทําไปแล้วเขารักษาถึงเข้าไปขขขเขาเขาเจริญสติของเขาไปเลยี่แสดงว่าเขาทําทานในพอแล้วเรือ่องทีกับเรื่องการทำทานแล้วเขาสามารถรักษาถึงห่างเข้าได้เป็นอัคติการรักษ า, าการทํามีทารทำก็เป็นการช่วยทําให้เรารักษาถีงห่าได้ง่าย ไ, ได้ง่ายซึ่งตการาาที่ไม่ได้ทำทาน แต่ที่มีความตนมิเห็นแต่ตัวนี้จะไม่ค่อยเห็นจากผูกอ้อื่เวลาทำเวลาก็จะไม่เห็นความทำมือเห็นความเดือดร้อนของผู้อื่นอยากจะได้อะไรก็อาจะ 10, 10, 10จะทําผุดถิ่นผิดธรรมไปก็ได้เพ่อเห็นความมืเห็นภรรายาของสมเาหนอยากจะได้ขึ้นมากาไม่คิดว่าจะคิดถึงความเดือดร้อนของคนอื่นแต่ถ้าเราเคยเชื่อเหลือคนอื่นด้วยการทำความดีดี เราก็จะคิดแล้วแหละว่าเราทำอะไรเราไปทำแล้วเกิดความกระยดกับตัวเองแม้ในไม่ดีเรามีแต่เราไปเรามีแต่จะช่วยคนเอื่ตลอดเวลาถ้านี่เรากําลังจะไปเบียดเพียนเาเราจะทํเราจะทำได้หรือแม้นก็ทําให้เกิดมีเสียงขึ้นมาเมื่อมีเสียงขึ้นมาความวุ่นวายใจ ก, ก็มียยน้อยลงคนคนที่ไม่ทำผิดอะไรจะไม่มีทางกังวลไม่มีความวิตกวายใจเมื่อคนทำผิด มันไม่มันไม่เป็นแบพวกเรืทางน้องหวังทังน้องหวอเนี่ยมันทำอะไรไปแล้วมันอะไรมามาแตะแผลหน่อยมันก็เจ็บเพราะปวดใช่ไหมเซึ่งแต่จิตเป็นเรื่องที่เราทำเกขึ้นมาก็ไม่สบายใจแล้วเวลาจะนั่งสมาธิมันจะนั่งได้เลพราะมันก็จะมีแต่เรื่องอย่างนี้มาก่อนจะจิตใจอยู่เรื่องที่มันเป็นขั้นกันคือมันก็ต้องสร้างขึ้นไปตามแบบขั้นถ้าหนูจเรียนหนังสื มันต้องเรียนตามขั้นขึ้นไปตอจากประถมมาขึ้นมัธยมจากมัธยมก็ไปถึงระดับปริญญาต่อไปเป็นแต่ว่าพวกเรามันอาจจะเรียนกันมาไม่เท่ากันในในใ น, ในแต่ละขั้นแต่ะขั้นพามาเกิดในขั้านู้นก็อาจจะเรียนกันคนละขั้นไปเลยครับ แต่พวกเรานี้มาอยู่กันเกาคุณมกัานักแสดงว่าคงจะอยู่ชั้นเดียวกัน <c oughs> ถ้าอยู่สูงกวันนี้ก็คงไม่มา <c oughs> ถ้าอยู่ถูงกวันนี้ถ้าโฮมเดียสไปฉายเดียวเข <c oughs> าอาจจะหัวกันไปรักก็ได้ คนถามแล้วถามไม่ยอมถามอะไเลยเลื่อเมื่อเช้าทีถามถามว่าทำยังไงจะถ่านรูปมาเข้าวัดได้แต่ัไม่ได้คาตอบก็เรามาเิยเรามาเข้าวัดมาบวชจำลองได้เขาจะมาเข้ามาหาเราด้วยลงคมลงคมนะ นึกใช่เลยว่าที่ว่าเรากล้าจะทำารือเป่าอย่างเราอยากให้พ่อให้คำว่าเดี๋ยวเรามาบวเดี๋ยวพ่าต้องมาหาเราค้าต้องเดินทางคนได้เจ๊เลยเพราะความถูกพังของแม่กับลูกยังมีต่อทันเราอยากเป็นลูกในกองคุณเลยนานๆก็ถือว่าเป็นกรรมของเราไปถ้าตัดันไปแค่เราอยากไปอยากไปหลงหลงแล้วเราจะทุบกรรม บางทีเราอย่าไปคิดว่าเขาเป็นลูกลเราเพือมันก็หมดเรื่องที่เขาเป็นคู่มาใส่ขังเราอยูะนะ่เป็นอคันตุ ก, กะมาใสายบ้านเราอยู่เราก็ให้ข้าวเขาเกินให้เสื้อผ้าเขาใสา่แล้วเขาอยากจะไปไหนมาไหนก็เลือกของเขาตัวไทยตัวมันสบายใจไปปัญหามมนอยู่ที่เรามางก็อยู่ที่เขา เราอยากก็เป็นพระแต่เราไม่อยากเป็นพระเองไม่รอมเนเดือนสอนโจ๊กทีกคันเวันนี้เราตามบนราเป็นเดืนมาเาเขบอก่านจะไม่เมตตาเลยไม่ให้ทำกดไม่ให้ควจริงว่าจะอย่างนี้ ก็หลังก็จะพูดคือแต่มันเป็นยารักษามันเป็นจริงจริงนะไแตกแต่มันทำให้แผลหายได้เลยถ้าความไม่จริงนี่มันจะทำให้กายเป็นหน่งเน่าไปคือไม่ดีจะต้องตัดแขนตัดขาไปนอกจากชนะพรดไม่สอนแต่ความจริงให้านีง มีหลคนที่เรามาสอนอาจจะไม่ได้พบทางจริงก็เลยสอนแบบลุกหน้าตัดงูอย่างไรตาเข้มๆเราไม่นิ่หน้าตันงูไปทำให้ทำยอมเหนียวกว่าสิ่งยันในๆถ้าเมื่อก็มาหาธรรมแล้วเราไมา่ให้ธรรมกับเขาเราก็จะได้ธรรมไม่ได้เห็นะคนชอบหาศาสนานก็าเพื่อหาธรรมละไม่ได้ไม่ได้มาหาความเอาเอาใจคูบกตอ จากรูปหน้าประคุณนั่นคนจะหาธรรมล้วต้องเป็นคนที่กล้าหาคนกล้าลับความจริงคนไม่กตัวความจริงถ้วตัวความจริงอย่เข้าหาศาสนานี่คือคนที่โกสายสว่างชอบอยู่ในความนี้ชอบอยู่ในจินตนาการของตน เอว่ามันยากเลยมันไม่ยากยถึงๆถ้าเราไม่ชอบทำมันก็ยากถ้าให้ไปห้องกองพุวงนี้ไปได้ ตอนนี้มวามเยอะนีงนะคนก็ฟังคนก็ฟังแค่ที่นี้แล้วเขาบอกทำไมหัวร้อนกันดังมาก่อนไม้จินใจเลยกลัวกลัวโดนไม่เกียว กินไหบ้าเราฟังเทศน์อาจโ่ผม้มายสดเีราเราำประมาสันงได้ผลไงเราเราต้องการผลไม่มไมใช่หรอเราต้องการความสุขที่แท้จริงล้วต้องการควคุ้มคุไม่ใช่หรอก็จะมาต่อรองกันทำไ ม, ไมไ พอแต่มันก็จะไม่ได้ขนแล้วมันจะเสียเวลาแล้วเราจะไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาเกิดเป็นม น, น, น, นุษย์ในบรรยากาศขนาไหนหรือเป่มันไม่ใช่ข อ, องง่ายกอร น, นี้เป็นอออโอกาสที่เราเป็นผู้มีโอกาสให้เกไม่มีโอกาสไหนจะเล่นาเทํานี้แล้วลองจากการเล้กเกิดในมัยที่พระพุทธเจ้กากับตบรดสมุทองขาีก็สมัยนี้แหละเป็นสมัยที่ดีที่สุดลางเลยนะน่าไม่เคยจะเกิดขึ้นง่าย แต่ทีก็เกิดขึ้นมาเกิดตายเปแลจะกับมาเกิดเป็นมนุษย์ทุกทางไปอาจะต้องไปเป็นโดยอาศัยอยู่อีกไม่รู้กี่าัหลังเมื่ออาจจะกลับมาเกิดเป็น ม, น, ปป น, มนุษย์อยู่ในประเทศที่ไม่มีศรราสนาเนาก็ได้เหมือนพวกพวกขั้หลังนี่เขาน็ยัก็ยังมาประเทศทางมาบวชกันอย่าเพราะเขามีเชื้อเก่าอยู่เขาได้เกิดเป็นมนุษย์เขาไม่ได้เกิดในแดนของพุทธศาสนา เขาก็ยังจะดิน้นเดินหาจนได้เพราเราเกิดอยู่ในดินแดนของพุทธศาสนาแท้ๆเราทำไมกล่องให้เข้ามามาตัดวงทิ้งต่างๆไปต่อหน้าต่อตาเรา <c oughs> เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้บำเพ็ญดนแดนนี้เท่ากับที่เขาได้บำเพ็จุดท้อมีความท้องที่จะที่จะรับ ถ้านาด้าได้มากกว่าก็ต้องทําไปเรื่อยๆก็แล้วกันทำจากที่เราทําอยู่ได้ในขนาดนี้แล้ยาพยายามขยับขึ้นไปเรื่อยๆถ้าลองปฏิบัติอย่างที่สองนเนี่เชื่อว่าจะไปได้เลยนั่งตั้งสติเรื่อยๆหยุดกับโดยอยู่ตลอดเวลาอย่างไปคิดในเรื่องราวต่างๆมันไม่มีสาระไม่มีความจะทำอะไร นอกจากมันเป็นเรื่องจําเป็นต่อการดำเนินชีวต่อการปฏิบัติธรรมวิสาาัยต่างเรื่องกังวลของนั้นรูงนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ไปถ้าเกิดถ้าอยากจะแบกค น, นมันมีคนให้บแบกเยอะแยะเลในเรื่องนี้มีแตนหมื่นล้านนี่เหรอคนในเรื่องนี้แบกไม่ไหวในเรื่องของเรื่อนี้แบกบตัวเราดีกว่าแก้ปัญหาตัวเราให้มั น, มนเจ็บก่อนดีกว่าแล้วเราจะเชื่อเยอะขึ้นอีก ม, มาก ว่ปัญหาของแต่ละคนนั้นคอเองเพื่อแก้ให้ไม่ได้ต้องแก้ด้วยตัวเองอาศัยคนเอนที่ทนันยุติธรรมถ้าเรา้จะแก้ปัญหาพวกเราได้ปัญหาบันพวกเราก็ไม่ต้องมานั่งลำบากลำบนท่านก็เพียงแต่บอกนะปัามิพานตาเลยอันี้เราปน ะ, ะหมดหมดโลกโกฎหนุงเลยมันทำไม่ได้ เมแบบเด็กเรียนนะัึนกษเ็มอยากจะไปโรงเรียนแล้วจะให้เขาได้จบปริญญาได้ัไงเขาก็ต้องไปเรียนนะักศึกถ้าพ่อแม่ไเรียนแทนก็ไม่ได้พ่อแม่ไปเรียนแทนเวลาเขาออกปริญญาเขาให้ปริญญามาก็เสื่อมชื่อของพ่อของนม่ลงไปในในปริญญาบัตรไม่ได้เรียนเสชื่อของลูกไปการช่อเหลือผู้่นั้นเพื่อได้เชื่อแต่รื่ลืมตัการสื่อ ถ้าเขาขาดแคลนเรื่องอันนี้กอเอามืพ อ, อที่จะแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันกันไปแต่เรื่องความรู้เรื่องการประพฤติปฏิบัติตรง น, นี้เราเพียงแต่บอกวิธีได้เท่านั้นเองแต่ถ้าเขาไม่นำเอาไปปฏิบัติจะอยากจะเชี่ยวเข็้เสียเวลาให้เหนยเสียเวลาไปเปพอเวลาที่มีมท่าขึ้นมาเชี่ยเวเข็ญตัวเราดีกว่าไปเทีเเ่ยวเ็สนุกไหม ตัวเราเองยังเชื่อเห็นไม่ได้กนะ <laughs> รที่เราตัดปเยอนะรว่ามันช่วยเรื่องที่มันำๆกักนแวเดเี๋ยวกันนี้จะเรื่องสาระเยอะข้นการที่เราจะพึ่งม่ทางคนมันทนิ ที่จะมีกันที่ถืว่า้กเราสักเท่ากนเราที่เกิดมาเนี่ยเจอผู้เผยศาสนาเจอครูบาอาจารย์ได้สั่งทำได้อ่ารนี้มันกมันยากเลยถ้าเราเป็นนักสืบเก้าเท่านั้นตเราได้ทายโภุมาเป็นอาจารย์เราต้องรีบเร่โตเร็วๆเราอย่างนั้นแล้วมามาหักตเก่า เราเกิดยังไม่ได้มีโอกาสที่ได้ตั้งปกติบตั้งาััไมตัครรยบุน แล้วก็ถ้าเป็ น, ปนโทนนี้เขาจะไม่ติดต่ออะไรกับใครเนี่เขาอยู่ในฌานเหมือนเขานั่งสมาธิลาแล้วติดลมอยู่แล้วเขาก็ไม่รับรู้เรื่องายาวแตอะไรทั้งสิ้นจนกว่ากําลังของสมาธิของฌานนั้นมันเกินไปเขาถึงจะมาลงมาสป็เทศเเทศก็ขึ้อยู่กับว่าเขามีปุตตะนิจัยสนใจธรรมะวิือาถ้าเขามีปุนิจัยสนใจศึกษาธรรมะเข า, าก็จะไป ความเทศจความรจากพระอารามจะเขาพาระสัจได้แต่ถ้าเขาไม่สนใจเขาก็จะเสดความกสิทธิ์งรูปงกิิยศถึงพรอย่างอียดโดยโตู้ป ค, คิดถึงรูป ข, ข, ของเขาไปจนกว่าบุญนั้นจะหมดถึงจะได้กลับมามเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเขาไม่สนใจธรรมะไม่สนใจพระวัาเขาก็ยังจะไปหาคาักสุทจากรูปถึงกิริ่ศถึงารอย่างใหญ่ตอนที่เราเห็นกันอยู่ที่คนทั่วไปน้อกันแถ้าเกิดเขาไปทาผิด จิตเขียนจิตทำขึ้นมาเมื่อตายไปเขาก็จะมุ่งไปเกิอดีตเขาจะไม่มีทางเข้าสู่ความความได้เลยการฟงครั้งก็เป็นการบาเพ็ญยิ่งน้อย่างแต่ฟังอย่างเดียวไม่พอการฟักตามตเหนุนกับการศึกษาแหงทีง่แที่ คือก็เราอยากจะไปสถานที่ใดที่หนึ่งเราก็ต้องรู้ว่าจะเดินทางไปได้อย่างไรก็ต้องดูแผนที่อย่างจะมาที่นี่ถ้าไม่เคยมาเลยก็ต้องเปิดแผนที่ดูว่าวัดยานตั้งอยู่ที่ตรงไหนแล้วเราก็เอาเดินทางมาตามแผนที่การศึกษาการได้ยินได้ฟังทำเสมอแต่การการดูแผนที่มาดูแล้วเคยฟังแล้วก็ต้องําเนินท่านให้ทําบุญให้ทางให้ศลัท การรักษาศีลให้ภาวนาเราก็ต้องทําถ้าเราฟังดีเฉยแล้วเราก็ยังไม่ทําก็เหมือนกับดูแทนที่แล้วก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่ไม่ออกเดินทางก็จะไม่ถึงนสุดหน้าปลายทางสุดหน้าปลายทางที่เราต้กำลังจะไปก็คือมรรคผลุพันการหลดทุนจากความทุกข์ก็ต้องปฏิบัติตามที่เราได้ยินได้ฟังก็ฟังหลวงตาฟังเสกคูบาอาจารย์อยู่ในรูปบวชท่านสอนให้ทาำอะไรบ้าง ทำได้แล้วทำหรือเปล่าถ้าทำไปแต่ทำมากทําน้อยเรื่องหนึ่งเหมือนการรับประทานอาหารรับประทานซ้อนเดียวก็รับประทานเหมือนกันในรับประทานสองจานสามจานก็รับประทานเหมือนกันความอื่นมันก็ตัดถ้าปฏิบัติน้อยของยังก็ได้น้อยถ้าปฏิบัติมากของยันก็ได้นาาถ้าปฏิบัติมากเพียงข้านึ่งข้าเดียวก็จ็ดงานได้ เนีย่ยไม่ต้องรอจกลับเป็นการเหมือนพระ พ, พุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าไม่มีแที่ที่เสียเวลามากเพราะว่าไม่รู้ทางนี่เองหลงทางไปทางนี้ก็ไม่ใช่ตปทางนี้ก็ไม่ใช่ก็เลยต้องโยงนไปมาอยู่นานจนกว่าจะพบทางกรารทดนี่มีคนเขียนแนที่อกทางให้แล้วเแต่นไแต่นั้นเองเดียวเดียวท่านั้นไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็เจอ ก็ยังไม่ยอมเดินงถ้ามันนั่งควารู้สกอกาคามี่จะหายเล้วก็จะมความ่นิ่งเฉยนะคต้องควรู้สึกเราต้อง่ครเลยถ้ามันนิ่งเฉยเลยไม่คิดเรื่องอะไรก็ไม่ต้องถ้ามันนิ่งเฉยแล้วคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ยังต้องไปทำอย่ เรียกว่างเปล่ามีความสุขมีการสบายใจมีความพอใจตอนนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องบริการเพราะนั่นก็คือจุดที่เราต้องการให้มันไปมี ค, ความว่างเปล่าของแต่ละคนนี้มันก็คงจะมีหลายระดับด้วยกันอาจจะระดับพื้น้นลงไปจนระดับนึกลงไปเหมือนตกเหมอตกบ่อตกเหวอะไรองนี้ก็เป็นระดับห น, น, นึ่นกก ง, ง น, น, นี่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเริยสติได้มากน้อยเท่าไหร่ จะมีเวลาผ่านใจยจากเรื่องราวที่ทำความคิดทาความพุ้งซ่านทำความวิ่นว า, มมายารให้กับเรามากมายถ้าเป็นฆราวาสก็อาจจะสงบโลเลระดับพื้นๆถ้าเป็นนักบวชเขาจะอาจจะลงลึกไปถึงก้นบอ่อเลยก็ได้เพราะว่าแต่ละคนนั้นก็นักบวชเขาจะอยู่ที่สงบสงัดแล้วก็จะมีสติคอยคุมจิตอยู่ตลอดเวลา เวลามันลงมันก็จะลงได้ได้เล็กได้งานแต่ที่เป็นขาวว่านี่มันมีเรื่องอยู่เยอะมันคอยเดินม้เยอะเนี่ยมันก็มีเชือกคลอยขอให้แขนไว้เวลาจะลงก็ลงได้นิดเดียวแค่ยังยังไม่ได้ตัดที่มันคอยคอยเหนื่อยล้าผิดใจวะก็ทําทําไปจนกระทั่งมันสงบแล้วมันไม่คิดอะไรก็ปล่อยมันถ้ามันอยู่องั้นไปงานที่สุกภาพงที่จะงานได้ ว่าถ้ามันเริ่มคิดแล้วถ้าไม่นั่งต่อถ้ายังถ้ายังยังอยากจะปฏิบัติต่อก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มาคิดทางด้านปัญญาแทนคิดคิดนาร่างกายถ้าอย่างง่ายๆก็คิดนาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าใครเท่านั้นแล้วสมมุติไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆเราก็ต้องตายเพื่อนเราก็ต้องตายพ่อเราก็ตลังตายแม่เราก็ตลังตายองที่ทายที่เราว่า เราก็ต้องก็ต้องตายคนที่เราเกลียดก็ต้องตายต้องตายหมดคิดอย่างนี้แล้วเราไปถึงแม้เวลาใครเขาทาให้เราโกรธเราเกลียดแล้วเาราคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องตายเราไม่นำไปทําอะไรเขาเดี๋ยวเขาต้องตายก็ไม่เกิดอาการย่าใจนีบ อาจาครับิวาทาพวาาเป็นคนมี่พระอรหันต์นี่พิวานาดู้โดยตัวเองจักครนะครับนะองค์นั่นก่อนนะรเพื่อนิวานาบอกก็คงเหมนพวกเราเนี่ยคงคงไม่รู้โดยจงนี่ยแต่ความเชื่อเมือว่ามีคนอื่นก็บอกว่าเราจะรู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ได้ก็เนยเอาคาสอนที่ท่านสอนเรามาปฏิบัติจนเราก็กายเป็นอรหันต์ได้ ตอนนั้นเราจะรู้แน่ๆว่าอ๋อถ้าท่านไม่รู้จริงท่านรวท่านจะสอนเราแบบนี้ไม่ได้หรอถ้าท่านยังเป็นคนเป็นมีรูปมีร่างอยู่ก็รอเวลาที่ท่านมรณาภาพตนั้นถ้าดูปฏิบัติของท่านว่าจะสอนเป็นพระธาตุอะไรก็แต่น้องแต่นั้นแล้วก็ก็เป็นความเชื่อกันเชื่อว่าท่านมรณา ถึงแม้บางท่ทานบอกก็ยังมีคนไม่เชื่อคนน <c oughs> ี้ถึงแม้บอกว่าเป็น ก, ก็ไม่ได้เป็นเครื่องว่าจะทำให้คนเชื่อทำแล้ว ถ, ถ้าไม่บอกคนจะเชื่อมันก็เชื่ออยู่เรื่ <c oughs> องละก็รอท่านทราบมู่งจิตมุ่งธรรกันใช่ไหมครับก็ฝืนนานาธรรมท่านสืนนานาธรรมกันถึงจะรู้จริง เจ้าเจ้าซาก็อาจอาจจะแบบอา่านธรรมะของท่านก็ได้ฟังธรรมะขอ ง, ท, งอท่านแต่หลวงตาท่านทรนะคะว่าองค์ไรนเป็นฮึ่มฮ่าฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าู่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าั่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮาา่า ถ้าเ็เกิดปริญญาโทแล้วเราเกิดปริญญาตัวนี่ยเราคุยกันเราจะไม่รู้ว่าเขาเกิดขั้นไหนแต่เรารู้ว่าอย่างน้อยเขาต้องอยู่ในขั้นปริญญาปริญญาตรีแต่จะถึงโทหรือเอกน้อมากในางเรื่แต่ถ้าเราอยู่ปัิญญาเอกแล้วใครมาพูดเราจะรู้หมดว่าไอ้คนนี้อยู่ขั้นไหนข่านโทขั้นตรีหรอขั้นเอกอะไรแนี้ แต่อย่าไปสนใจเรื่ององคนอื่นนะสนใ จ, นนใจนตอนนี้เราอยู่ขัาไหนรู้เปล่าดูว่าเราพยายามขยังและขึ้นขั้นไม่ได้ยินซังชัไหลายปี ว่าเราตกพวังอยนานีแย่ท่นหลับชก็ต้องไปทอนนะที่กลัวๆที่ป่าชาเงี่ยจะไม่หลถ้ากันทาไบที่เปียกๆกลัวๆว่าพอนี้ทิ้งแค่การการลุ่งของเรานอนนั่งหลักถ้าอย่างในนังเสี้ยปฏิปทาหนุนตาท่านแบบองออนท่านก็โดยเรื่องนั่งที่หน้าเห อ้าหลับ ก, ก็ตกเขวไปเลยรับรองได้จะไม่งงเพราะสันทรตยาความกลัวตายมันจะบอกให้ไม่ให้ไม่ให้หง่งไม่ให้หลับเพราะเดินประทางที่มีเสือเดินผ่านมันจะไม่มีทางหลับได้คุณต้องอาศัยที่นะถ้าเสือมันไปอยู่ในป่านในเขาจะนหมคนบางคนก็บอกว่าอยู่ในอยู่ในบ้านนีูน่เองก็คิดว่าเป็นป่าเป็นเขาไดทุกจริงงานมันก็ไม่เป็นป่าเป็นเขาหรอก ทำ็ ม, มันถามันเขามันก็ไม่เป็มนอ่ะคือเ า, าเขาไม่อยากจะไปเขาก็เลยพูดไปอย่างนี้เ <c oughs> องเข้าใว่าคนที่เขาไม่จาเป็นจต้องใช้ปาใช้เขาเป็นวิญญาอันนั้นเ้าอยู่ในบ้านในเงนเขาก็บรรลุได้อันนี้ก็ไม่ปฏิเสคนที่ติดก็ถึงเขาผ่านท่านั้นแต่ละเราก็ไม่ต้องไปอยู่ในป่านในขขเขาเข <c oughs> าได้ที่รีระวังหลังที่เติลอ่อนอ่ะสตน่ใช่ แต่ยังไม่ได้สติมันเป็นเหมือนเชื่อกมันมีหลายหลายระดับเชือกกล้วยจะถึงถึงเชือกไนล่อนอย่างเงี่ย<ม>เชือกกล้วนี่กระตุกทีเดียวมันก็ขัดแต่ถ้าเชือกไนล่อนนี่ยึดยังไงมันก็ไม่ขัดถ้านมีอะไรมาสติมหมาตังา้งาถ้าถึงขั้แล้วแล้วก็บอกมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาแล้วก็พิจารณาธรรมตลอดเวลา เป็นนาสตินาววนยั ง, ย ง, งก็ท่านของพระอนาคาอยู่เช่นกันน่าอยากถึงจะเป็นนาสตินตนนกาานาปัญญานีตาทานเรี่ปัญญาสติปัญญาอัตอนมัตยังไม่ต้องขายลานมันหมนุนอมันไปเองมันเดินขอันเองก็เราเนี่ยมันกขายานถ้ามันเป็นขากเดือน <laughs> ก็อย่าท้อแท้ก็แล้วกันนะอย่าอย่าไปคิดว่าเราไม่มียุนไม่มีวาสนาถ้าคิดอย่างนี้เราก็จะเป็นการขาดอนาคตนะคือว่าเรามียูนมีวาสนาเป็นแต่ว่าเราขี้เรียบเราต้องเราต้องเชี่ยวแขงตัวเราเองให้บอกว่ให้เราได้ถึงพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ผูบาอาจารย์ในกาลเวลาเราเกิดคราวท่อๆขึ้นมาพระท่าก็เป็นเหมือนเรา เป็ น, น, น, กกนตัวแทน ข, สอส ข, อ ข, อของเราประกอบท่านจะล้มลุกคลุกคลานท่านก็ต้องต่อสู้กับความเกลียดชังเหมือกันแต่ท่านไม่ถอยท่านสู้อยู่ตลอดเวลาถ้าเหนื่อยบ้างก็พักได้ถ้านหมดงานจริงๆก็พักหน่อแต่อย่าเลิกไปเลยบางคนทานเลิกไปเลยไม่เอาปฏิบัติไม่ได้ไม่ได้ผมเพราะคนที่ทานหมดแล้วไม่มีแล้วในสมอ น, นี้ มันอาจจะไม่ไมันก็จะไม่ได้ปฏิบัติดีกว่ากันถคิดว่าตอนนี้ปฏิบัติไม่ได้ผลเลยไม่ใช่มีกําลังเลยอ่ะเขาทักวันสองวันก็ได้แล้วพอมีมีกําลังจิตกำลังใจก็ปฏิบัติแต่ไม่ไม่ไม่ไมหยืดเลยได้ดีกว่าไม่น่าจะปฏิบัติไม่ได้ผลแต่เคยนั่งเวลาไหนก็นั่งมลงไปปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติยังไงจะได้ไม่ถอยหลัง ถ้าหยุดนล้วมันเหมือนเดินไพล้อง<ม>คำเดียวกันคำเรียน<ม>คือคือสงบนี่มันสงบแบบ<ม>รวมน้อยหรือรวมมากมถ้ารวมมากมันก็ดับร่างกายหายไปเลยถ้ารวมน้อยก็อย่างที่มันว่างว่าแต่ยังได้ยินเสียงไ ด, ได้ได้ยินได้ยินเสียงได้แบบอย่งยงางร่างายอย่างมีทวามรู้สจกัองร่างกาย แต่จิดไม่คิดไม่วกร่แบบวางมือเฉยๆมันยังไม่สงบจริงๆท่านสงบจรที่มันจะมีความมาสะจั่งใจอันนี้จะเป็นตวัวบอกว่าสงบจริงๆเื่อมันจะสงบม่อมันจะตืน่นไง ก็นงบแบบนั้นมันไม่หลับอย่างเี้วงม้น่นนเตื่นแลว้วก็มีความต่งเต้นรูนน้สึกหมดกาดใจใจวัเบาใจโล่งใจุกใจตื่นต่ผลลุกขึ้นมาอะไรย่าี้น้ำตาล่องอย่างี้อย่างี้ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็ยังคาดาว่าเฉียบเฉียดอย่างเง้ย มนนีใครมีคำถามอีกไหมมีใครจะถาม้ำถามไหมครับ ถามได้เลยครับให้ฟังนะให้ฟังกันนะวะวาวาฮาเกิดอาสารุญศรีติศาคาลางอิบเนวาอิโตจิยังเตตานังอุตคขะติ สิตังปะติตังถึงทังทิตั้งเมนืควายชนิดวัตุจากเดือดตัวหงตัวทังกับตายันโทตนะยาโยคขามณิโติสาโยยคขาสัพพิสิโยวิวัตานุจัตตารโภวินาศตุมาเต ท, ทระวัจารายสทุทีชานโตภา อาติวะทันติวิชามิจังมิท่าต a ายโนะยะตารุธรรมวัฒน์ทิสาโยโนตุทังสัจจานา พอหนูจะหนูจะเจีิญรู้สึกเยอะมากช่วยเจริญต้องม้วนนะครับม้วนนี่ก็กำลังม้วนนไม่เป็นไรหรอกก็ม้วนได้พอม้ว ที่นี่เลยครับน่าจเป็นเรานที่เจ็ดที่เจ็ดรอเที่นะครับอทุกโครงกาคงไม่เหมาะเพราะว่าคนจะเยอะมากเดินทางลำบากแล้วก็รถคูทะหาลาบากเป็นเดือที่แต่งลงการ้อคนะฮะไม่รอถึงปลายเดือนคือท่านจะนตังทไปไประเทศโปรดที่ออสเตรเลียฮะต้อง เบเดือนนะฮะเรื่เจ้าจังหวัดครับถ้ามอตามาเขตามไเขานมตาทั้งาที่นี่ครับตาบิา่นตาทั้งบอกเป็รอยตที่ท่านช้เสีใช่ฮะแล้วก็ุรีจอตาสมุทรเป็นตอย่างท่านก็ไม่ตาก็ไม่ได้มาคอยกลัว เตรียรับเลิกปะจัน mm. mm. ันธน้ามาที hmm. ่นี่ทีไรก็ไม่เ้องมาแต่มีกะหนดการสายพานอะไรก็เลยไม่ต้องเตรียมตัวแล้วอเตรียมเตรียมอาสนะเตรียมอะไรด้วยมีที่มีท่ที่แล้วด้วยค่ะมีรูกมีผ้าที่ท่านมาถ่ายไม่ได้หล่อใจ เพ่อจะมาเื้อตรงีต่อกินข้าวคุยกันว่าเป็นโานาเนี่ยบางีถึห้าแล้วมันต้องจะเป็นถึงถึงแปดไหมในสมัยนี้การถ้าอยากจะให้ไม่ได้ผลใช่นะ้องดูใช่นะ <c oughs> มเพาถึงห้ามันมันเันไมกพอมัไม่พอเพราะ <c oughs> วา่ยังเหนือเราต้องยังรับความกุทางด้านทางด้านย ส, นสมยเราราอยังหลับนอนกับคู่ครองเราได้ ยังนอนพุ่งหนาๆได้ยังพอจะหนาวเย็นได้เพราะจะหาเย็นแล้วมันก็ม้วงอะจิ้มอื่มแลก็อยากจะนอนถึงแตนนี่เป็นการเขาเรียกถึงในขันละออกจากกาเมสุถึงตาเมก็เลี่ยนเป็นอัลลัมมัจจเรียไปถึงนอนประจำโดยน่าร่วมหับนอนกับใคร มหาความกจากการรับประทานอาหารกินก็อยู่ไม่ได้อยู่ก็นกินเพื่ออยู่ก้นหัวเยอะก็อยู่ได้นะก็อยู่ก็กินได้สี่ห้าคนแล้วถ้าจกินอิ่มท้องแล้วมันนอนมันไนอนมันจะภาวนาไม่ได้สติไม่มีถ้าลองสังเกตเลถ้าถ้าถ้าอดอาหารนีสติมันจะอยู่แต่ถ้าไม่ได้ไปอยู่ที่จิตที่ก็อดอาหารก็ได้ คือถึงต่อดูวยลอง อ, อุดช่ยอย่งน่าจะผิดผลดีเพราะความหิวมันจะกระตุ้นกระตุ้นมาอยู่เรื่อยๆและจะทําทให้เราพ่อนะเพราะถ้าไม่ทอนนะคางหิวมันก็เพลินใจถ้าเราเพลินาแล้วจิตสงบได้ความหิวมันก็หายไปความหิวส่วนที่เกิดจากความคิ่กรุ่มขอเราจะหายไปความหิวที่เกิดจากอางกายขาดอาหาจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่พอหิวก็ พอถือเสียงกลางนี้ขอเพียงนะอาหารสนงม้นี่พอเพียงพระสองนื้อเยอะกยังพอเลยไม่ก็ถืออยู่ทุกคนกอันนี้ก็มีพระท่านขึ้นมาอยู่อดอาาอยู่ตั้งห้าวันแ้วนี่อยู่อยู่อ่ันท่าจะูบันดาท่านจะ ไ, ได้ออกคุมบานม <c oughs> าเลยก็ขบับไปไงก็อดสามวันแล้วก็ออกมาทันหนึวันสองวันแล้วกลับไปอดใหม่แล้วก็กสาม ว, วันบ้างห้าวันบ้าง ส่วนใหญ่จะสาวัน5วันแต่ใครลองพยายามดูว่าจะได้ทค่เท่าไหรยจะได้ทค่เ9วันที่เด็กอย่างคารวาสี่ทำได้ไหมอ่ะก็คนเหมือนกันแหละท <c oughs> ้ามาจากไหนท้าก็มาจากคารวานนะี <c oughs> ่ทาไม่ได้มาจากท้าไม่ใช่ทาเอาลูกมาจากแม่ชีเลยสภาวจิตไม่เท่ากันเลย ที่อยู่จริงๆตอนนี้นอยู่สามลูกแต่ก็มีพระที่อยู่ข้างล่างท่านก็ขึ้นมาส บ, บกันขึ้นมาภาวน า, า, วนาอยู่เรื่อยๆนี่พระเก็บวชกันได้นานเพก็อยากจะลองทำทานดูส่วนใหญ่ก็จะมาชช้ากลางวันกันเพราะว่าท่านข้างบนน้ําท้ามันไม่ท่อยเร็น้ำแตงก็ยังไม่ค่อยกล้าพอ ้องคนมานอนคืนเดียวก็เห็นน้เห็นนี่กันก็คงจะมีคนคอยเล่าให้ฟังกันอีกด้วยล้วกอกดนะอก่อ คือระดับติตเนีย่ยถ้าติดมันหมดเพราะนั้ามันภาวนาไม่ภาวนามันก็เหมือนภาวนานั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้แต่ถ้ายังมันต้องถ้ายังไม่มีสมาธิก็ต้องนั่งเยอะเดินดุ่มขมเยอะพอนั่งพอนไม่มีตอได้สมาธิแล้วยังไม่ตระหนักก็ต้องเจริญตระญนัเดินเดินดุ่มขนั่งสมาธิเจริญตรญหน แต่ถ้าเมื่อมันไม่มีมันไม่มีกิเลสแล้วมันก็มันก็เดินจยนกลมหน้าสมาธิแบบไม่ต้องไม่ได้ตากกิเลสไม่ได้ตากอะไรมันไม่ได้มีให้ตากแล้วมันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนอายะแบบมันไม่มีความขุ่นข้ามมันไม่มีเรื่องความที่จะมาเข้ามามาหลอกมาล่อจิตใจให้เกิดความโรภหรือความอยากอะไรพวกนมันอยู่เฉยๆมันก็ไมตชิยายของมันถ้าไม่จะกระตุ้นมันไม่ไปเรียกให้มันหงอกมาทํางานมันก็ไม่ขึ้น มันก็อยู่มันอยู่แับปัจจุบันอยู่ว่างๆไปเรื่องคิด <Okay. S 1> มันก็มีสติมีอยู่วความสติไ mm hmm. ม่ได้ก็ไม่ไม่มันก็ไม่สา ม, มารถที่จะไปคิดในทางที่จะทํำให้เกิด mm hmm. เป็นสเ่งใดขึ้นมาได้ใ mm hmm. นกระทรวงการที่มันสบงบยาวยี่ติดยางทหารก็จะจะปุ๊กปืนจะก้าวยงก้ายามหรือไม่ก็ไม่ก็ก็ไม่ไม่สำคัญแล้ว ท่านที่นั่งก็มีที่นั่งก็ได้นั่งก็ได้เป็นถ้าเป็นความความถนัดความสบายของท่านท่านอยากจะนั่งก็ละเดินเป็นกลก็ได้แต่ถ้าเรียกว่าเป็นวิหารธรรมเป็นการเป็นเป็นการอยู่เป็นของของผู้ที่ไม่มีภารกิจทางด้านนี้แล้วท่านไม่ได้เดินเป็นคลมท่านไม่ได้นั่งสมาธิชนิดแต่ท่านคงไม่ได้นั่งแบบเอาจีนอาจาังเอาเป็นนาการอะไรอย่างนี้ หรือบางทีไม่ต้องนั่งก็งได้เหมือนแต่สมองจิตไม่ให้คิดมันก็ไม่คิดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าท่านต้องการอยากจะเข้าไปลึกๆอย่างเข้าไปในฌานลึกๆอะไรไมต้องนั่งแต่ถ้าแบบว่าท่านมงว่างๆเฉยๆไม่ให้ไปคิดไปปรุงไปหาเรื่องมาให้เกิดความทุกข์อะไรในวันใจนี้ไม่ต้องนั่งก็ได้ดีในยาาบทไหนก็ก็ควบควบคุมมันได้คุมสังขารได้แล้วสังขารนี่เป็นตัวที่คิด ให้เกิดเหตุก็ได้คิดให้เกิดทำก็ได้แล้เราเรียกว่าตัวนี้เป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหลายเราก็จับตัวนี้ให้ได้ทั้งนั้นถ้าคุมตัวนี้ได้แล้วจะนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้ทำให้เราคุมความคิดของเราได้แล้วยกันความห่วงก็เกิดจากความคิดของเราความกังวลก็เกิดจากความคิดของเราถ้าเราห่วงเรากังวลต้องรหยิดคิดของมันความห่วงความกังวลมันก็หายไปตอนนี้เราอยู่ที่เนี่ยเรา ไม่ได้คิดถึงเงรื่องต่างๆที่สร้างความห่วงคางวามกังวลขึ้นมามันก็ไม่ได้ห่วงแต่พอเราอยู่ที่เฉยๆว่ามันเดียวมันหันไปคิดอะไรไคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องเกีกับความกังวลขึ้นมาแล้วพราหยุดมันได้หรเ่เราเราหยุดมันได้ แ, ดแต่เราไม่รู้เหมือแล้วเราก็ยังคิดว่าเรื่องที่เราคิดมันมีความเป็นจริคงมีความสําคัญส อ, อย่างคาจริงแล้วมันไม่สําคัญอะไรเลย แต่เราก็ยังหยุดไม่ได้เพราะจิตของเรา น, นี้มันลดที่ยิย่งใหญงเขาเรายังหาเบรกไม่เจอมีแต่ทางเล่น <c oughs> ยิงย่งคิดยินพุ้งจ้า ง, า ง, างใหญ่แค่ย <c oughs> ิ่งคิดใหญ่ทีนอนไม่หลับจินไม่ได้นอนไม่หลักถ้าเป็นเรื่องที่มันหนังหนักถ้าปฏิบัติจนกระทั่งสามารถพวบคมสังขารความคิดกูร่าแล้วเนี้ เรื่องอะไรจะเข้ามามันไม่คิดถึงมันมันก็เหมือนกับมันไม่มีมันไม่มีอยู่ในใจเรามันมีอยู่ข้างนอกมีก็มีไปมันมันยังไม่ถึงตัวเราถ้ามันถึงตัวเรามันก็มันก็มันก็มันก็เกิดขึ้นแล้วซึ่งอีนานี้ท่านมันยังไม่ถึงตัวเราแล้วไม่ได้คิดถึงมันมันก็ยังไม่มาถึงอะมันมันก็ไม่เกี่ยวกับเราพอมัมาถึงเราจริงๆแล้วมันก็จะมันก็เอาเราไปทีเดียวก็ไปเลยไม่ต้องมันไม่มีเวลามากังวลไม่งมีเวลามาคิด เวามชั่วมันเกิดจากความคิฏฐิเองการตายของร่างกายนี้มันไม่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความคิฏฐิแต่ถ้าเรารู้จักควบคุมมันได้เหมันก็จะไม่เข้ามาในใจเราความตายจะไม่เข้ามาถึงใจเรามันจะอยู่ที่กายความแก่นก็จะอยู่ที่ที่ที่กายความเจ็บไข้ความปวดมันก็จะอยู่ที่กายเพรใจไม่จะ้คิดถึงมัน ใ น, นการปฏิบัติไปแล้วต่อไปเราจะสามารถควบคุมความคิดของเราได้เหมือ น, นกับเราขับรถเป็นรม่ว่าเบรกอยู่ตรงไหนไม่ว่าคันแรกส่วนใหญ่ไม่รู้กันพวกเราขับรถใจเนี่ยหมือนดูอยู่แต่คันแร่งอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าคันเบรกอยู่ตรงไหนวเวลาทุกข์มากๆเบรกไม่ได้หดนั้ไม่ได้หยุดไม่เป็น งานปฏิบัติทางศาสนานี้มันมีวังที่สุดมันไม่ต้องนั่งจงกมเดินชมาทุก็จะ่อกเพื่อมันเสร็จจิตแล้วมันจะนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้ผลเท่ากันน้ําเต็มแก้วแล้วจะเติมเข้าไปก็นด้ไม่เติมก็ได้มันก็ได้เท่านั้นมันเต็มแล้วแต่เนื่องจากว่าร่างกายมันกายกับจิตมันยังเกี่ยวข้องกันอยู่มันกลายเป็นอะไรมันก็ถง ให้จิตรับด้วยหนะึ่งจิตบางทีก็ต้องบันเทานั่ง น, งนานๆก็ต้องลื่ขึ้นมาเดินเดิน น, นานๆเมื่อก็ลองลองไปนั่งเปลี่ยนเวลาเดินไปแต่ไม่ได้ไม่ได้นั่งไม่ได้เดินเพื่อที่จะดับสิเลดดับดับความอยากดับอะไรต่างๆคนไม่มีให้ดับเหมไฟอ มาดับไฟหมดนะถึงงานจะมีน้ำเหนืออยู่มันก็ไม่รู้จะไปฉีดใส่อะไรไฟนไู้นมีให้ฉีดฉีดก็เพียงแต่จะทำควางสะอาด น, <c oughs> นั่งสมาธิเรีนภาวนาและเพื่อความสบายระหว่างท่าจาับถังรอท่าสติแล้วก <c oughs> ็มันยังเกี่ยวข้องกันอยูาา่เวลาเราจะ ไม่มีกเลสแต่ถ้าคิดมากๆพูดไม่มากมันก็เหนื่อยได้จิดมันก็เหนื่อยได้มันก็ต้องพักก็ต้องก็หยุอย่าให้มันคิดรายะเนึ่งถ้ามันพักได้ระยะหนึ่งมันกจะถกกึ้งแบบได้ขอให้ทำไปนะทำไป ปฏิบัติสำคัญที่สุดในิลวก็มีหมดแล้วได้ยินได้ฟังแล้วได้ศึกษาแล้วแทนที่จะมีดูแล้วมีเวลาเตรียมออกเดินทางแล้วมีอะไรมีอะไรสลัดได้ก็สลัดไปอะเรเ่ือกได้ก็เลือกไปใจกล้าหน่อไม่ต้องกลัว จะไเสียดายสิ่งแปลกตาที่เรามีอยู่ในโลกนี้าถามนะค่าว่าเราเป็นคนระดับนั้นคนระดับนี้ไม่อยู่แบบเป็นคนไทยขัดพื้นถูพื้นนั่งส้วม๋ืว่าเป็นการปฏิบัติเป็นการลดละทิฐิลดละทิเดชลดละความเหงการยึดติดในตัวตน ยึดติดในฐานะ่าเราสูงเราทำงานแบบนี้ไม่ได้พระที่วัดต่งางบานต่านี้ต้องโถวพื้นเป็นทุกคนต้องเข็นน้ำนนปเป็นทุกคนต้องกวาดปัดกวาดเป็นทุกคนมีคนร้าวโลกมาบวชเราจะเอาฐานเอาเอาฐานารับใมามาด้วยแหล้ลอกจะเอาใครมา ยาวดูมาแล้วยาวฐานมาให้เยอะนะแต่มาทั้งสองคนไม่ได้เป็นอะไรเการทํางานอะไรต่างๆถ้ารักที่ว่ามัเป็นเป็นงานที่ชอบไม่ไม่ไม่ผิดถึงผิดธรรมไม่มีสูงไม่มีต่ำแต่เรามาสมมุติกันขึ้งกันเองแล้วดงาน งาล้างเ่วงนี้ยเป็นงานที่ดีเพราะถ้าเราล้างช่วงล้วก็มีช่วงสะอาดใช่ไหมันไม่ล้างช่วงเนี่มันก็มีแต่เ่วงสกปรกของสกปรกมันก็ออมาจากตัวเรามันก็มาจากใครจากออกจากคนอื่นมันก็เหมือนกันมันก็สกปรกเหมือนกันของเขาของเรานีนก็สกปรกเท่ากันถ้าใช้ปัญญาแล้วมันก็จะไม่ไม่มีความรังเกียจมันก็มาจากของที่เรากินเข้าไปนี่แหละ มันจะสจะกมันจะหน้ารังผึ่งทงนหลวงพ่ท่านเล่าตานที่ท่านปฏิบัติหลวงปู่มั่นตามที่ท่านใกล้จะนานนั่งพัก่าบอกท่านเหมือนบเวลาหลวงปู่มั่นอนที่ท่านถ่ายท่านต้องค้อด้วยมือใ่ใส่ก็โมาเป็นางถ้าไม่คิดอะไรเป็นนั้นไม่มีไม่มีปัญหามันก็เป็นแ้าภาตุร่างกายก็เป็นธาตุใจก็เป็นธาตุเหมือนกัน เวลาตักก็ปากเจ็งกันได้เวลาออกมาจับไม่ได้แล้ว <c oughs> ต้องโง่ขนาดไห น, <c oughs> น่ไม่เจ็บไปจะลองทบทบ <c oughs> ที่จะจับโลคอมโอมายดอีกเราไม่ตัดส้มดีกว่าไหม พยายามต่อสู้ต่อให้ถึงที่มันเสนอกระจัดที่มันถึงในความเ่าพยายามมันเกิดจากความเห็นผิดแค่นั้นเองเาต้องควาคนอื่นก็ทได้ล้าก็ทำได้คือบาอาจารย์ที่เรากราบไหว้ท่านทุกวันนี้ท่านก็ทำได้ท่านก็ทามาแล้วเราจะไปทางนั้นเราทำไมเราจะไม่ทำถ้าเราไม่ทําเราก็ไปไม่ได้เราคิดอย่างนี้แล้วไม่มีอะไรไ ม, มีอุปสรรคขวางกัน อะไรนะอะไรอุปสรร์มันเกิดขึ้น จ, จากกิเลสของเราเองคนเราถึงมนรรลุท่าเรือต่างกันเพราะกิเลสหนาหนาบางต่างกันแลน้วไม่ได้อย่ก็งไหนอย่ตรงนั้นที่มันยากก็เพราะกิเลสมันหนาที่มันช้าเพราปัญญามันคึกถ้ากิเลสบางปัญญาแลหลมของนี่มันเข้าเรือเราจะง่าย เราไม่มีอะไรมาทําให้ยากกเปลี่ยนเป็นตัวทําให้ยากการขาดปัญญาทําให้มันช้าปัญญาต้องเกิดจากการได้ยินได้ฟังแล้วได้ยินได้ฟังแล้วการทำในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆ อ, อย่าฟังแบบนี้เข้ารู้ซ้าแล้วก็ออกรู้ซ้ายอาจารย์ในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังวันนี้แล้วเอาไปคิเรี่ๆมันจะเป็นตัวตระตุ้นให้เราได้รปฏิบัติัญญแล้วปฏิบัติแบบถูกต้องด้วย แล้วพอเห็นผลแล้วที่นี้ก็จะเกิดฐานะวิริยะขึ้นมาทีนี้ไม่ต้องมีใครมาคอยกระตุ้นมันจะไปเหมือนคนที่ทา ง, งานเรารู้ว่าได้รับเงินเดือนแน่ๆเพื่อมีกาลังใจไปทา ง, งานแต่ถ้าไปทา ง, งานเ็าบอกให้ทำไปก่อนแต่เงินเดือนยังไม่ให้นยะมันก็สองติดต้องใจจะไปดีไม่ดีจะทำดีไม่ดีก็ยังไม่ไ ด, ได้ได้เห็นผลจากการทา ง, งาน แต่ถ้าได้รับเงินเดือนรับได้รับเงินเดือนสูงๆเลยผไม่ต้องมีใครมาปลุกให้ไปทางานจะตื่นเองจะไปเองเป็นพยายามประหยัดขอให้ิบาติให้มันได้ผลทุกครั้งเลยให้ผิดลมขาดใจอรมจากความโลภความโกรธความเหนื่อยจากลูกเิษยถึงว่าโกรธอะไรอะไรันมันสงบตัวเราได้นากเป็นเป็นเครื่งช่วยชนะเหนึ่อยลังจ ก็จะมีสํางสิ่งมานใจอย่างมหาศาลที่จะได้ของนี้ก็ต้องพยายามทาไปให้มากที่สุดถ้าที่ได้ไม่มีอย่างอืงอ่นอย่างอางื่นช่วยเราไม่ได้ละฟังเทศฟังธรรก็ช่วเราไม่ได้คุบาการก็ช่วยเราไม่ได้มีเราก็นั้นอาจรที่กมเรนาสที่ช่วยเราได้เราต้องเป็นู้ปฏิบัติเอง ถ้พูดไปมาก็ทดกรรมสิทธิ์เอาไม่หลกที่ไม่สงบเขราะติมันังไม่มันไม่อยู่ในคำนิ้วกับตัวมันไม่อยู่กับลมอยู่กับกรรมฐานที่เรากาหนดไว้มันอยู่แค่รับเดียวแล้วมันก็ไปคิดอย่างนั้นอย่างนี้เราจะไม่รู้ว่าไปยังวางทีก็ยังมันรู้สึกตัวทีสจะติดในคืนยี่สิบในคืนการอวกน แต่ถ้าพอรู้ว่าไปปั๊บเราไม่เดีงกันมานี่มันก็ยังพอเ น, นี่ยครับแต่บางทีไปอยู่ที่กลัวๆมันก็ช่วยได้ทั้งหมดเวลากลัวอะไรมากแล้วเราเริ่มพุทโทอย่างเดียว ม, มันจะอยู่แบบพุทโทรุทธโทไม่กล้าไปคิดอะไรเลยยิไม่ดีเดียวภายในแค่สองสามนาทีมันก็โยนโยนได้ยั่ววความตัวนี้มันก็ช่วยทาให้จิตมัน สงบได้เลยทือเปลี่ยวเตรี่ยวกลัวๆแต่คนปฏิบัต้างก้ากล้าแล้วกลัวเดี๋ยวติดตากกล้าตายกล้าตายคิดว่ากันมา้วต้องตายอยู่จะตายจริงๆขอให้ตายแบบได้สัมรา ย, ยิฏฐิตายแบบได้คุ้มตายแล้วได้ความสงบในระดับคุ้มค่า เมื <c oughs> ่ออ่านต่อของคุณบาอาจารย์แต่เราก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมท่านต่อต่อที่เกี่ยวกัความยากความลำบากความว้าเหวความต่อเติบโตความหลังตัวต่างแต่มันก็คุ้มกล้ากับการลงทุนคุณตัวนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีทางลงไม่แต่ขึ้นอย่างเดียว <c oughs> ถอยเรามีกามมั่นใจอย่าไปขายทิ้งัลยนะข่ายคุณยายท่านอาจารย์มิใช้ได้กทุกคนแล้วแต่แต่เขาเล่นหุ้นเขาห้องกรจาได้ที่เล่นหุ้นแล้วไม่รวยก็เพราาทีมันใจวอกแวกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ด้วยไง ถ้ามีความมั่นใจแล้วว่าตัวนี้จะต้องขึ้นแน่ๆต้องไปล้าหน่อยเร็วหน่อยก็เกาะติดมันไปแต่ทางโลกไม่มีอะไรแน่นอนอย่างแน่ชี้อย่างแต่ทางธรรมนี่แน่นอนทางนีแน่นอนถ้าปฏิบัติแล้วได้แน่ๆสย่างที่ท่านกล่าวได้ว่าโยกนี้จะไม่ปราศจากข้ามาหาันถ้ายังไม่คู่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มันอยู่ตรงที่ปฏิบัติดีปฏิบัติกล้่นันมอยู่กับพระพุทธเจ้าไม่อยู่ไทยนะซึ่งเจอพระพุทธเจ้ากล้าริยะแสงพระธรรมก็มีส่วนเป็นเป็นผู้ชี้ทางแต่เมืม่าเป็นผู้ชี้ทางแล้วถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่จะเกิดได้ ถ้าเจอผ้าลายที่ไหนก็ไม่ดีถ้าแบบเจอผ้าหนาใน ใ, ในตัวของเราเองเต้องให้พ่อทำชี้ทาง <c oughs> ใช่ใชไปชี้ก็ให้นามาเจอผ้าหนาในตัวเราเ <c oughs> มื่อท่านเมือนชี้แล้วเรายัางยังไปกอะกับผ้าหนาแันก็ไม่เจอผ้าหานาแค่นอยู่ี <c oughs> ี่่าน่าจอธิบายค่ะททุกคนเข้าใจสรัตอนนี้เาจะทำจริงจทุกคนก็ไม่ค่อได้ทราบดีนะฮะนี่เราไปลงใดีอยี้าบหมดแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะเราเอาวิชาของประดับปินยาตีมาสอนเด็กอนวบางหรือเป่านี้ ไม่ใช่ค่ะแ้วจะไียังไก็ทาทางอีก่อนนะถึงจะถึงห้ารัตกาให้ดีอย่าให้ขาดนะแล้วทำาินฑบาทำทางไปเรื่อยๆมาตั้งเทศตั้ทานเรื่อยๆภาวนาได้ก็ภาวนาไปก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อน ในวันนี้พูดถึงคนที่เขาอาจจะอยู่ในขั้นระดับปัญญาเด็กเขาฟังแล้วเขาสามารถนํามันไปปฏิบัติได้เขาก็จะได้ประโยชน์ถ้าจะพูดแต่ระดับอนุบาลคนที่เขาอยู่ระดับปัญญาเดี๋ยววัหลังเขาก็ไม่มาฟังมาที่ไหนก็ให้ทำบุญให้ทางนักศึกษาเิลนั่นเองวันที่เขาสามารถปฏิบัติเป็นคนนั้นได้ก็มีอย่างครูบาอาจารย์เวลาท่านเทศนท่านจะเทศน์ไล่ขึ้นไปจากสิลง์ขึ้นไ สมาธิสัญญาที่มุ ก, ภาภาพพกมุแล้วจะความภาคเพลิงคามอบทนความเชื่อมั่นเราก็ทำคำสอนาค่เดีวสอนให้กำลังจิตกําลังใจเอาประสบะการณ์ที่ตเราได้ประสบม า, า ม, มาทั้งดีทั้งทั้งที่ไม่ดีเอามาสอนเราบอกบนทางที่ไปเราจะต้องไปตรงนั้นเราจะไปติิดอะไรอย่างไรนท่านบอกไว้หมดเลยทุกขั้น ถ้ามีคสูบายอารย์ง่ายๆมันไม่แบ่งทางไปเลยถ้าปฏิบัอดไปเองบางทีถึงขั้นนึ่ถึงขั้นสมาธิก็จะติดในสมาธิจะไม่ออกเจริญปัญญาพอออกเจริญปัญญาก็จะคลึกลายจะมีปัจฉินไปแต่คิดว่าไปเองบรรลุแล้วเป็นอรหันต์นับถือแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ท่านจะมีเห็นมีเห็นว่าทํำยังไงมันถึงไม่ได้อย่างนี้ ไม่ใก่อยูดด่ดีคิดว่ามันได้แล้วมันจะได้มันไม่ใช่ไม่ได้เกิดจากการคิดมันเกิดจากการคิดจากหน้ามือไปหลังมือของจิตจากเมื่อจากจิตที่ดำมืกกดกายเปจิตที่สว่างสว่างขึ้นมาเนี่ยมันสังคีตีโตมันเห็นได้ผู้ปฏิบัติย่อมเห็นได้มันจากการปฏิบัติทึ่ไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องถามใครถ้าเราหันไม่ปถา ม, มาว่าพุทธเจ้าอ่ะยุพลานเป็นยังไง รู้แล้วก็รู้กันเลยไม่สนใจนแค่เวลาเนอะวันนี้มาเร็วมสองมาประมาณโมงครึ่ง <c oughs> <c oughs> จะทำคือไม่จะทำแต่ละชั้นทำบางชั้นเลยเรื่อยไปเลยหมดคือเก่าพอจะแม่เลยแล้วก็ตีจนลมอยู่ก็ตีได้ ได้ยียเสองตีกว น, น, นี้สองคนนี่ยจะเรียนนอกลู<อ>กชายคนโตว่าจะไปึ้นไปไีไปได้ก็ดีไปไม่ได้ ค, ด ค, ครับที่เป็นเรื่องเสียรนที่เขไม่ได้ไปมีมเยอะกว่าคนคที่ไปแต่ก็มีความเั้ใจอ่ถ้าไปได้ก็ดี การตาไได้คอประหยัดเสียใจะงินเดี๋นี้นเรื่องลูกลก็ไม่ได้กังวลเท่าไหร่กังวลเรื่องตัวเองว่างานนะัมันไม่ได้หนำใจยืนตางให้จนะคงต้องกินแต่เขาไปจับนม่ันคงเอาไม่อยู่ความเพียรมันจะน้อยนู้นเย็นเลยากยกินอยู่นี่ข้านีลงไปมันโล่ทุกอย มัก็เราอมรับค่าหรอกมันเหมือที่วิ่งเหนือยๆจะให้มันวิ่งเมื่อยรับที่วิ่งากเหือยนะเห น, นะนเรยรงนเยอะไฟแดงเยอะสี ย, กยแยไยกไฟแดงเะากประดถ้าอย า, ายนารุ่งหะระถ้าอยากให้รุ่งเลยก็ต้องต้องไปอยู่ตาอ่เขาอยู่วัดเรื่องงานที่ผมทำนี่เป็นวันละนับเป็นเรื่องควทุกกทคกข รับได้ี่ามาแบกน้ำนมไม่แบกรับรูแล้วก็ทำาจกลางนะที่ได้ขนาดกระทำกันถ้าแบกก็ก็ไม่ฉลาดแต้างากับเราเลย